สัญเจตวาสุขมัตโนสังขารังคายังเดสวะสันตคามิงนมามิหังพุชิตวาจตุสัจญานีพุชาเปตีมหาชนังพุชาเป็นตังสิวังมะขัง พุทธเศรังนามิหังโทติราเคจะโทเสจาโทติโมเหจะปานินางโทตะเกลสังมหาปุญญังโทตาสว่างนามิหังวิเวเจติยสัตดามา วิจิตตวาธรรมเทศนางวิเวเกทิตจิตโตโยวิธิตันตังนมามิหังชาติดัมโมชราธรมโมชาติอันโตปกาสิโตชาติเศรษฐนะพุทเธนาชาติมุตตังนามามิหัง จะเยติปุญญาสัมบารีจะเยติสุขสัมปทางจะชันตั้งปาปกรรมานีจะชาเป็นตังนามิหังรามิตังเยนนิพพานังรักิตาโลกสัมปทาราชโทสากทิเกเรเสหี ราหิตันตังนา ม, ามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสั่งสมพระบารมีทั้งหลายมาโดยชอบทรงก่อสร้างความสุขแก่พระองค์เองขึ้นได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเห็นความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารทั้งหลายแล้วได้บรรลุถึงธรรมอันสงบระงับได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงตัดสู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแล้วทรงยังมหาชนให้รู้ให้ตัดสู้ตามด้วยข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงช่วยสัตว์ให้เข้าถึงทางแห่งพระนิพพานพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงล้างเสียซึ่งราคาและโทสะ ทรงกำจัดเสียซึ่งโมหะของสัตว์ทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไ ห, ว, หว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีบุญมากมีกิเลสอาสวะอันหมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยังสัตว์ให้ร่าเริงห่างไกลาจากอสัตธรรมทรงได้แสดงพระธรรมขึ้นเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในวิเวกข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์พระองค์นั้น ธรรมชาติชราธรรมท ร, รมันเป็นที่สุดแห่งชาติคือมรณะธรรมพระพุทธเจ้าผู้มีชาติอันประเสริฐทรงประกาศไว้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสร้างบุญยญสมพานมามากจึงสั่งสมความสุขกาวคือสุขสมบัติให้เกิดขึ้นได้ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ทรงละทิ้งเองและยังสัตว์ทั้งหลายให้ละทิ้งด้วยซึ่งบาปประทมทั้งหลายพระนิพพานอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วความดีสําหรับโลกอันพระพุทธเจ้าทรงพระองค์ใดทรงรักษาไว้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ละเว้นจากกิเลสทั้งหลายผู้มีความรักความชังเป็นต้น ได้ทรงกำจัดกิเลสเหล่านั้นได้อย่างหมดสิ้นแล้วขอนอบน้อมพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยความเคารพเอือเ้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจมาประพฤติธปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสร้างพระบารมีมาอย่างยาวไกลอันหาประมาณมิได้ในเหตุการณ์ต่างๆที่พระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญพระบารมีมานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมายี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากัเรลาท่านทั้งหลาย ได้มีโอกาสมากราบไหว้มาเคารพมานับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างครบถ้วนและมโนปณิธานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งจิตเพื่อปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ผ่านพระพุทธเจ้ามาอย่างมากมายในที่ตั้งไว้ในใจนะ แล้วยังทรงเปล่งวาจาอีกในการที่กว่าจะได้ตรัสรู้และต่อมาก็ได้รับพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพอพูดถึงในเรื่องราวแห่งการที่กว่าจะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญวระบารมีมาค่อนข้างมากเราท่านทั้งหลาย เวลามาฟังโดยส่วนใหญ่เราก็จะมาฟังในเรื่องของผลแต่เราไม่ค่อยได้ศึกษาในเรื่องของเหตุว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้สร้างเหตุอะไรหนาจึงได้มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ที่บอกว่าบําเพ็ญบาบรามีมา20อสงไขเนี่ยบางทีนับอสงไข่เราก็นับยังไงใช่ไม ยอมรู้ไหมเขานับอสงไขเขานับกันยังไงอสงไขยเขานับโลกโโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละใบเนี่ยหรือจักรวาลที่เกิดขึ้ น, น ย, ยอมคิดว่าโลกแต่ละใบเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีอายุยืนยาวไห้ยืนยาวหรือไม่ยืนยาวยาวนานไหมนานมากหลายล้านล้านปีเนะกว่าโลก แต่อุบัติเกิดขึ้นมาจริงๆก็หลอมมาจากดินน้ําไบลมนี่แหละแล้วก็กลายมาเป็นดวงดาวกลายเป็นโลกกลายเป็นจักรวากลกว่าจักรวาลจะเกิดก่อตัวขึ้นมาแล้วกว่าจะจักรวาล น, นั้นค่อยๆเสื่อมไปจนหมดเนี่ยการก่อตัวขึ้นและการดับไปเนี่ยครั้งหนึ่งเขานับโลกใบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกมหากรัมแต่ท่านโลกเนี่ย เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยเท่ากับเลข1ตามด้วยเลข0ูนยตัวนี่เขานับ1รอบเนี่ยเป็นหนึ่งอสงไขยแต่ถ้าสร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่20อสงไขยก็ต้องเป็น20รอบของโลกในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับนานไหมฉะนั้นการที่จะได้ ยินคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยยากหรือง่ายยากไหม ย, ยากมากเนะี่ยไม่ใช่ยากธรรมดายากมากๆฉะนั้นตรงนี้แหละอามากก็ขับเน้นให้เราท่านทัน้งหลายได้เกิดมีความรู้สึกว่าทำอย่างไรหนอเราจะตั้งศรัทธา เรียกว่าตถาคตโพธิสัต t h าเชื่อความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตนั้นไม่ว่าจะแสดงศรัทธาในแง่ไหนก็จะมารวมลงตรงนี้แหละจะเป็นกรรมมศรัทธาเชื่อกรรมนีวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมหรือกรรมมสกตาศรัทธาเชื่อทั้งว่าศรัทกรรมทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นต้นหรือเนี่ยที่สุดจริงๆก็จะมาลงคําว่าตถาคตโพธิสัต tha มันลงได้ยังไงคําว่าตถาคตโพธิสัตวานี่เขาเรียกเชื่ออะไรเชื่อมั่นปัญญาตัสรู้ของพระตถาคตหรือเชื่อมั่นสัมโพธิเชื่อมั่นโพธิปัญญาที่ตัศรุอริยสัตตรีเราเชื่อมั่นปัญญาของพระพุทธเจ้าไหมเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าแสดงบอกว่า ก็ถังพัควาภาวิตตโตเป็นต้น น, นะนะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงเป็นผู้พัฒนาพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพัฒนาอย่างไรหนึ่งทางกายพระพุทธเจ้าก็พัฒนาแล้วก็เรียกกายภาวิตเนี่ยาวิตากายะเนี่ยกายก็ทรงพัฒนาแล้วด้านศีลพระพุทธเจ้าก็พัฒนาแล้ว ด้านจิตพระพุทธเจ้าก็พัฒนาแล้วด้านปัญญาพระพุทธเจ้าก็พัฒนาแล้วสรุปก็คือทั้งด้านกายด้านศีลด้านจิตและด้านปัญญาพระบรมศา ส, สดาทรงพัฒนาได้อย่างหมดจดแล้วอีกความหมายหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์สภูตังสัมพุทธังอัตตาทันตังสมาหิตังเป็นต้นบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่พระองค์ทรงฝึกตนเองด้วยการบําเพ็ญทานบา ร, รมีศีลเนคขม้ปัญญา วิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขาบารมีจนบริบูรณ์มีพระไทยที่ตั้งมั่นอบรมโดยชอบแล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เ, เราสวดบารมีสามสิทัศก์กันได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ไดไดไดอลองสวดกันดูหน่อยตั้งใจสวดแล้วระลึกถึงคุณพุฎิเจ้านะ ฐานนาปารามิสัมปันโนฐานาอุปาปารามิสัมปันโนฐานนาปรมัตตาปารา สามปันโนเมตตามัยตรีการุณาโมทิตาอุเปคาปารามิสัมปันโนอิติปโสภคฆาว สีระปาระมิสัมปันโนสีระอุปปามิสัมปันโนสีระปรมาธปารามิ สัมปันโนเมตตามัยตริการุณามุทิตาอุเปคคาปารามสัมปันโนอิติปิโสภาคาวา เนคขามมาปารามิสัมปันโนเนคขามมาอุปาปารามิสัมปันโนเนคขามมา ปารามัตตปลามิสัมปันโนเมตตาไยตรีกาลูนามุทิตาอุเพตปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภาควา ปัญญาปรมิสัมปันโนปัญญาอุปปาลามิสัมปันโนปัญญาปรมาตาปาล สัมปันโนเมตตามัยตริกาลุนาโมทิตาอุเบทาปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภะวะเวิริยะ ปามิสามปันโนเวเรียาอปปาลามิสามปันโนเวเรียปารมาตาปาลามิสามปันโน เมตตาไมตรีกรุณาโมทิตารามีสามปันโนอิติปิโสภคะวาขันติปัลามิ สัมปันโนอปปาปาลามีสัมปันโนขันติปรามาทปาลามิสัมปันโน เมตตาไมตรีกาลณามุติภูเบฆาปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภควะสัจจาปารามี สัมปันโนสัจจาอุปาปาลามิสัมปันโนสัจจาระมาทัปาลามิสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณาขปาลามิสำปาโนอิติปิโสภะคะวาวิอาทิทานาปารามิ สัมปันโนอาทิธานะปาปลามิสัมปันโนอาทิธานะอะระมาตปาปาลามิปันโน เมตตาไมตรีกรุณามุติตาคาปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภะควะเมตตาปาลามิสัมปันโน ตาอุปปาลามีตัมปันโนเมตตาปาลามัตตปาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมติตา เปคขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาโอเปคขาปารามิสัมปันโนโอเปคขาอุปปาลา สามปานโนอเปคขาปารามัทปาลามิสมปนโนเตาตริกรุณามุทิตาอุเปคขาปารามิสม ปัโนอิติปิโสภคาวาทสาปารามิสามปัณโนทายสัปปารามิสามปั สัพพะรัมะทัปปลามิสมปันโนเมตตามัยตริการุณาอุปเคนตาปัลลา สามปันโนอิติปิโสภควะติพุทธังสารณาคาจามิธรรมสารนาคาจามิสามคำสารนาคาจา นา ม, ามีสาธุสาธุตรงนี้ให้พวกเราได้สวดได้นึกถึงพระบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนกข ม, ม้าปัญญาเวรียขันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาและเวขาบา ร, รมียัมรู้ไหมว่าบา ร, รมีแต่ละข้อบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดและลำบากมากนะการให้ทานก็ไม่ใช่แต่ให้วัตถุทานภายนอกเท่านั้นใช่ไหม ยังให้บุตรให้ภรรยาให้เลือดเป็นทานให้ดวงตาเป็นทานให้อวัยวะเป็นทานแล้วก็ให้ชีวิตเป็นทานถ้าให้วัตถุภายนอกก็ยังพอทนใช่ไหมแต่นี้ให้วัตถุภายในด้วยทุกชิ้นในอัตภ า, ภาพนั้นพูุ้ทธเจ้าก็สละให้มาอย่างยาวไกลในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญพระบรารมีเนี่ยามาจะเล่าค่อนข้างจะบ่อยนะ อามาชอบเล่าในเรื่องเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบ่มเป็นพระบารมีโดยเฉพาะในพระชาติที่เป็นพระยาช้างฉัตรทัน์น่งถ้าสรุปตรงนี้ก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระยาช้างฉัตรทันเนี่ยก็ถูกนางจุรสุพัฒนาซึ่งเป็นภรรยาน้อยอาคาตพออาคาตแล้วก็นางก็กั้นใจตายตอนเปิ่ช้างแล้วอธิษฐานว่าขอให้ไปเกิดเป็นมเหสีของพระเจ้าวราณสี พอต่อมาไปเป็นพระมหาเหสีของพระเจ้าวลานาศสีแล้วได้แรงที่เธอทํากุศลไว้เยอะเนี่ยขอให้เธอระลึกชาติได้และสามารถมีสติปัญญาจัดการฆ่าพระโพธิสัตว์ได้กว่านั้นเธอที่สุดจิงิงเธอก็ระลึกชาติได้แล้วในที่สุดจริงก็คือหาในพานได้ชื่อในพานโสดุดรแล้วก็หาอุปกรณ์ให้ในพานคนนี้ในพานคนนี้ก็เดินแลรอนแรง ม, มา7ปี7เดือนนะที่จะมาถึงป่าหิมพานต์อย่างเนี้ย ก็จะมาฆ่าพระโพธิสัตว์พอไปถึงตรงนั้นนะพระโทธิสัต์เนี่ยพร้อมด้วยบริวารตั้งแ0ดพเชือกเลยนนะยืนอยู่ท่านก็ไปขุดในพานก็ไปขุดหลุมขุดหลุมตรงที่นี้พญาช้างฉัดทันยืนอยู่แล้วก็ปิดด้วยแผ่นกระดานแล้วก็เปิดช่องก้าไว้แล้วก็ใช้ใบไม้ปิดพญาช้างก็มายืนที่ตรงนั้นทุกคืนใช่ไห ตอนพักเนี่ยในพานโสนุดรก็ใช้ลูกศรยิงยิงจากข้างล่างนีถามว่าลูกศรที่ใช้ยิงพญาช้างฉัตรทันเนี่ยเท่ากับต้นเสาพญาช้างฉัตรทันนี่จะตัวใหญ่มากนะสูงประมาณ18บสองยืนงดงามมากพญาช้างฉัตรทันเนี่ยจะมีความงามมากก็ยิง เวลายิงเนี่ยเหนียวไกลเต็มที่เนี่ยไอ้ลูกศรที่อาบยาพิษกระตมเข้าที่ทศดือเนี่ยทะลุตัดขั้วหัวใจเนี่ยพญาช้างฉับทันก็ร้องสุดเสียงเวลาร้องเนี่ยช้างเหล่านั้นตกใจไหมไม่ใช่ช้างเท่านั้นแม้แต่สัตว์ป่าทั้งหลายก็ตกใจกุมช้างที่เป็นบริวารก็พากันวิ่ง หาลิลาศตรูว่าใครทําร้า ย, ยท่านพอท่านร้องเนี่ยท่านได้สติท่านก็ตั้งสติขึ้นมาว่าเออเนี่ยศัตรูเนี่ยอยู่ทางทิศไหนท่านก็เริ่มคํานวณ ว, ว่าเศัตรูไม่อยู่ทางหน้าไม่อยู่ดังด้านข้างเนี่ยต้องอยู่ใต้ดินแน่นอนตอนนั้นอ่ะซึ่งภรรยาหลวงชื่อมหาสุพัทธาเป็นภรรยาหลวงที่ช้างเนี่ยก็คอเคลียคอยช่วยเหลือพระโพธิสัตว์อยู่ ตอนนั้นพญาช้างฉัตรทานก็บอกว่าไม่ทราบว่าอันในข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็เลยพูดตำหนิว่าน้องหญิงคนอื่นหรือบริวารเนี่ยเขาพาวิ่งหาศัตรูนี่เธอมายืนอยู่ทำไรนางก็ขอคามาแล้วก็ประทักษิณเวียนขวาคํานับแล้วก็เหาะไปพญาช้างฉัตรทานก็เลยใช้เท้าตะกุย แผนกระดานออกแล้วก็ใช้งวงสอดเข้าไปแล้วก็จับในพานโซนุดรขึ้นมาในพานโซนุดรกลัวไหมกลัวไม่กลัวกลัวตายไหมพอจับขึ้นมาวางไว้ท่านเห็นอะไรเห็นจีวรเห็นผ้ากาสาวพัดคมอะไร กูมไกในพานโสนุดร อ, อยู่ท่านนึกถึงใครท่านนึกถึงธงชัยของใครผ้ากาสวพัดนี่เป็นธงชัยของใครฮะธงของใครเนี่ยผ้าอย่างเนี้ยเขาเรียกผ้าอะไรเป็นธงชัยของเออเป็นธงชัยของพระละหันเป็นธงชัยของพระุทธเจ้าเพราะท่านบํารุงพระบจเจกับพระุทธเจ้าอยู่ท่านเห็นยีอรนไหมท่านเห็นอย่างนี้ท่านเคารพไหม เราเกิดมาเราเคยโกรธพระไหมเคยไหมเห็นไหมเห็นธงชัยของพระอรหันต์แล้วท่านก็ใจก็อ่อนโยนท่านก็ถามว่าสหายเอย่ยถ้ามีใครสักคนใดลุกขึ้นมาแล้วเคห์ของเราเต็มที่อะนั่งหลับ <c oughs> ใช่ไหมนั่งง่วงดีนะ <c oughs> เขาเคห์ตูมเข้าไปเังไงเราลืมตาขึ้นมาเราจะพูดกับเ <c oughs> ขาไง <c oughs> บอกสหายเอย่ย เธอเขกหัวฉันทำไมกล้าพูดอย่างนี้ไหมตาขว า, มขวางไหมขวางไม่ขวางในพาเห็นไหมว่าพญาช้างจัดทันก็บอกสหายเออท่านมาฆ่าเราทำไมใครใช้ท่านมาท่านอาฆาตอะไรในเราถามเงี้ยเนอะ ในพานโสนา ด, ดอนก็ละล่าละลักพูดพูดโกหกด้วยนะบอกว่าพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเวลานสีทรงสุบินไอทรงสุบินนิมิตฝันแพ้คันอยากได้งาคู่นี้ของท่านถามว่ารู้ไหมว่านาว่านายพานโกหกรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้ถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่าไอคนคนนี้มาโกหกหมดเทสตต่อหน้าเราเราจะโกรธเขาไหม ถ้าเป็นเราโกรธไหมโกรธไม่โกรธไม่เหลืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือหรอกเพราะกำลังสติปัญญาของเราเนี่ยมันต่ำนะต้องยอมรับนะเราจะไม่ค่อยให้อภัยใครหรอกในใจเราเนี่ยเราจะมีความอาฆาตมีความพยาบาทแล้วก็มีการจองเวรบางทีมาปฏิบัติธรรมแล้วก็อาฆาตแล้วก็ยังไม่ถอนอาฆาตในใจนะบางคนนะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะ ก็ไม่ยอมถอนอยู่นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยที่ท่านทําอย่างนี้ท่านกําลังทําอะไรอยู่นี่คือบําเพ็ญอะไรบําเพ็ญบา ร, รมีท่านบําเพ็ญทานบา ร, รมีไหมบําเพ็ญศีลบา ร, รมีไหมเนคขมะไหมปัญญาไหมวิริยะขันติสจรัทธานภาเมตตาและอุเบกขา ท่านต้องบำเพ็ญบา ร, รมีทุกบา ร, รมีแต่บา ร, รมีไหนจะเด่นในขณนะไหนสถานการณ์ใดเนี่ยนี่ท่านท่านต้องฝึกให้เกิดขึ้นนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านต้องฝึกเพื่อจะทําให้บา ร, รมีธรรมเหล่านั้นมันแก่กล้าและมันเต็มเปี่ยมเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในทุกสถานการณ์ในขนาดเนี้ยเราต้องฝึกไหมถ้าเราปล่อยให้กิเลสลุ่มเล้าเราเนี่ยถ้าความหดหู่ท้อถอยเข้ามามาครอบงาําแล้วก็ปล่อยให้มันครอบงาํา ความง่วงมาครอบงาแล้วก็ปล่อยให้มันครอบงาความโลภมาครอบงาแล้วก็ปล่อยให้มันความโกรธมาครอบงาแล้วก็ยอมมันความหลงมาครอบงาแล้วก็ยอมมันอย่างนี้เรียกว่ามาบาเพ็ญบารมีใช่ไหมเรียกไม่เรียกเขาไม่เรียกหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรในขณะความโกรธครอบงำแล้วก็เป็นธาตุของความโกรธความโลภมาครอบงาก็ไปยอมเป็นธาตุเขา ถ้านในกรณีอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ามาบําเพ็ญบารมีแล้วคนประเภทอย่างนี้ไม่เหมาะต่อการบรรลุเพราะคนที่จะบรรลุนี่ต้องฝึกไหมต้องฝึกเนี่ยดูอย่างพระโพธิสเตว์ที่ท่านไม่โกรธนายพานโสนุดรที่มาปฏทุสลายท่านแล้วก็ท่านไม่โกรธนายพานโสโนุดรที่โกหกท่านไม่โกรธโกหกน่ะไม่โกรธ สมมุติถ้าเราจะมานั่งบรรยายทำสมมุติเราขึ้นมาพูดในขณะพอพูดปุ๊บเนี่ยทุกคนนั่งหลับกันหมดเลยเราจะโกรธไหมโกรธไหมโกรธไหมโกรธไหมถ้าเป็เราจะโกรธไหมโกรธไหมโกรธถ้าคนบําเพ็ญบารมีมาเขาจะโกรธไหมเขาไม่โกรธหรอกเขาจะนึกในใจโอ้ขอให้หลับให้สบายนะหลับให้สบายหลับให้สบาย ขออยาให้มีอะไรเป็นรบกวนใจท่านเลยให้ท่านหลับสบายจะถามว่ามีหมอนไหม <c oughs> เอาไหมเอาหมอนไหมเอาไหมไม่เป็นห่วงกลัวเดี๋ยวเกิดคอหักแล้ว <c oughs> <c oughs> ประงหักหัก <c oughs> บางคนมานั่งก็บอกว่า คราวนี้เวลามานั่งปฏิบัติทมคอเครียดหมดเลยถามทำไมถึงเครียดเออมันสับ ป, ปะงอกบ่อยกลับไปต้องไปหาหมอดัดคอมาไอกระดูกคอมันเคลื่อนเขาบอกโอ้โหคนที่รู้จักเราโอโ้โหมทนาบุญด้วยนะเอาจริงเราจังปฏิบัติเต็มที่เลยวัน้วเราก็ไม่กล้า บ, บอกความจริงเขาบอ เดี๋ยวเอาบุญมาฝากปฏิบัติเต็มที่เลยไปคราวนี้วันะอยากตั้งใจเต็มที่เลยม้แหมปฏิบัติกำหนดที่ท่าไหนคอเคล็ดเลย <c oughs> แต่ที่ไหนได้เป็นไง <c oughs> ไม่กล้า บ, บอกความจริงก็แท้จริงฉันไปนั่งหลับทุกวัน <c oughs> อ่าถ้าหากออกจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะเอาบุญไปให้ อาบุญไปให้คนที่รู้จักไหมรีบโทรไปหาเลยไหมโทรกรี๊งไปกขบอกว่านี่ฉันนะเพิ่งออกจากยุวพุทธไปปฏิบัติมาเอาบุญมาฝากอีกคนนึงไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอสาธุเขาไม่รู้ความจริงถ้ามาถามฉันะฉันรู้ไหมฉันจะรู้พวกเราดีเพราะฉันสอบอารมณ์มากับหมดแล้วฉันสอบถามแทบทุกคน ฉันรู้ฉันรู้ว่าเออเราแท่ไหนอย่างไรว่าอย่างเช่นควรโมทนากับพวกเราไหมฉันจะโมทนานะีในส่วนที่เราทําถูกแต่ในส่วนที่ทําผิดฉันจะโมทนาไหมนี่จำไว้นะเวลาพระเทศเนี่ยพวกเราเนี่ยชอบทําตามประเพณีพระเทศผิดก็สาทุกเพศเทศถูกก็สาทุกก็ไม่ว่ากันนะ่ยเนียเขาห้าม เช่นคนบางคนกล่าวธรรมะผิดเนี่ยนะไปกล่าวธรรมะตั้งแต่ต้นท่ามกลางที่สุดกล่าวผิดหมดเลยแล้วก็ฟังไปสาธุแปลว่าอะไรเราร่วมยินดีกับการแสดงธรรมที่ผิดของท่านพุทธนะอา้าวเห็นคนไปฆ่าสัตว์แล้วเห็นเพวาก็สาธุทำผิดหรือทำถูกคำภาษาสาธุแปลว่าอะไรนะ แปลว่าดีแล้วขอให้สําเร็จนั้นมันแปลได้หลายความหมายนี่ดีแล้วก็ได้ขอให้สำเร็จนะ่ะอนุโมทนาด้วยก็ได้ไมังไเอาอะไรแต่เนี้ยฉะนั้นเราไปเห็นเขาฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นเนี่ยเขาไม่ให้สาธุฉะนั้นถ้าคนที่เขามีความเห็นผิดอยู่กําลังอย่างเมื่ อ, อมาเนี่ยไม่เข้าใจคําสอนเลยมากล่าวด้วยความเห็นผิดแต่เราก็มาสาทุสาธุแปลว่าเราร่วมยินดีหรือร่วมอนุโมทนาร่วม ร่วมส่งเสริมในพฤติกรรมที่ฉันทำผิดด้วยนั้นเจะสาทุต้องมีข้อมูลไว้ต้องมีข้อมูลอันนี้เล่าเรื่องอะไรต่อเมื่อกี้เรื่องพญาช้างฉัตรทันท่านท่านท่าน ท, าน ท, านที่ท่านรู้ว่านายพานสนุดดอนโกหกแต่ท่านก็ข่มอะไรไว้ข่มอะไรไว้วามโทสะคือความโกรธนั้นไว้ไม่ให้โกรธ ถ้าโกรขึ้นมาท่านสามารถทํร้ายในพานโสนุดรได้ทันทีไหมด้วยพลังของท่านทันทีท่านมีพลังอย่างมหาศาลมีฤทธิ์ด้วยเพระพาะบรธิษัทนี้มีฤทธิ์ด้วยนะตอนเกิดปเป็นพญาช้างฉัตรทันเนี่ยเหาะได้ด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีพลังด้วยบารมีก็เต็มมาเยอะแยะเกือบจะเต็มเปี่ยมแล้วลองคิดดูมีพลังสามารถรู้วาระด้วยระลึกอดีตได้ด้วย ท่านก็คำนวณทันทีพอในพานโสนุดรรพูดท่านคำนวณคิดฟื้ทันทีเลยนะท่านคิดเลยด้วยความเร็วของกำลังชาวนาของท่านเนี่ยท่านรู้ทันทีเลยออใครใช้มาเนี่ยรู้แล้วแล้วรู้ด้วย้ำไปว่านางสุภัททาทวีเนี่ยคือใครบอกอ๋อแต่ก่อนเป็นนางจุลสุภัททาเป็นภรยาเป็นภรรยาน้อยเป็นช้างโอโกรธเราลิสยาเนี่ย คือผู้หญิงเนี่ยจะมีแรงตัวนี้เยอะนะยมต้องระวังนะต้องระวังเลยนะมาจะแนะนำไว้ใครที่เป็นผู้หญิงนะหรือใครที่เคยเกิดเป็นหญิงมานานเนี่ยจะมีความตนหีและฤิษยาสูงยอมอาจจะปฏิเสธเอ้ยฉันไม่เคยตนหีเลยยอมตนหนีไหมตนหีทินตนหีที่อยู่ไหมตนหีหรือไม่ตันหีตนหีทินหรือว่าตนหีที่อยู่ตนหีตําบล ตณีอำเภอตณีจังหวัดตณีภาคตณีประเทศไม่ตนีแลยโอ้โหภาษทุงันขคาะที่อยู่นั่งถวายวัดรึ้ปล่าตณีหรือไม่ตณีตณีพวกพ้องไหมตณีไหมเล่นพักเล่นพวกไม่ถามจริงเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นก็บอกมาเฮ่อตณีใช่ไหมตณีผลประโยชน์ไหม ควรพวกเราควรได้คนอื่นไม่ควรได้ตันีไม่ไตันีตันีสีผิวไหมตันีหรือเปล่า เ, เข้าใจคำว่าตันีวันนะเอาถ้า เ, เราควรได้รับการยกย่องอะพวกเราควรได้รับการยกย่องถ้าเขายกย่องคนอื่นเป็นยังไงโกรธไหมแล้วก็ตันีข้อมูลแล้วก็ลิศยา เห็นคนอื่นได้ดีทนเนี่ยนางจุลสุภาธาเนี่ยฤทยาฤทธยาภรรยาหลวงตอนนั้นพระพธิสัตว์ที่ไปต้นลังนะไปเขยา่าใช้งาเขยา่าเขยา่าดอกลังก็ร่วงเมืองถูกถูกที่หลังของภรรยาหลวงดอกไม้งามๆเนี่ยนะ แต่ล้างมดแดงล่วงใส่หลังเธอ <c oughs> โกรธไหมทา น, นอาฆาตมีหลายเรื่องนะที่อาฆาตเนี่ยในส่วนจริงอะตรงเนี้ยท่านพิจารณาดูท่านโอ้เพอพิจารณาอย่างนี้ท่านเธอก็บอกว่าอ๋อก็เลยบอกนายพานโสณ ด, ดอนบอกว่าเออท่านพูดไม่จริงหรอกแท้ที่จริงนางสุภทธาเทวีเนี่ยท่านอาฆาตท่านไม่อยากได้งาคู่นี้หรอกแท้จริงคือเธออยากจะฆ่าเรา ถ้าเธออยากได้งานเนี่ยเธอรู้ว่างานสวยๆงามๆของปู่ตาเนี่ยของปู่ของตาที่เก็บกันไว้เน่ยเยอะหมดแต่จริงเธอต้องการชีวิตก็เลยบอกว่าเอา้าเดี๋ยวเราจะตายซะก่อนทั้งนั้นท่านจงรีบจัดการขึ้นมาตัดงานเราเสียเดี๋ยวเราจะเสียชีวิตก่อนในพานสซนุดอนพอได้ยินเงินป๊อบก็ลุกขึ้นพูดด้วยความด้วยความกักขระ คนใจหยาบอยู่แล้วคนใจบาปอยู่แล้วก็ยังไม่ร้องไม่กลัวไม่กังวลหรอกจะทํางานตัวเองให้เสร็จก็รีบถือเลื่อยแล้วก็ไต่ไต่อะไรขึ้นมาไต่งวงไนงะของพระโพิษัทว์พระโพิษัทก็ต้องย่อตัวลงมาด้วยแล้นก็ไต่ไต่ขึ้นมาบนกระพองเหยียบกระพองก็ขึ้นไปเอาหัวเอาเข่ากระทุงกระทุ้งใ้เนื้อที่ย้อยลงมาตรงงากระทุง อ, อัดเข้าไปให้พระโพิษัทอ้าปาก แล้วก็ใช้เลื่อยสอดเข้าไปในปากเมื่อสอดเข้าไปในปากก็ดึงเลื่อยด้วยธรรมะแมงอย่างธรรมะธรมงเลยนายพานสุนุดรมีกำลังแข็งแรงมากเท่ากับช้างเจ็ดเชือกเป็นคนที่ตัวใหญ่ดำไอ้กล้ามเป็นอย่างหัวปีเนี่ยเนอะคนแข็งแรงอย่างนั้นแหละธรมะธรมแงมามงนะคนที่แข็งแรงนี่แปลว่าสร้างกุศลข้อไหนมาดีไม่ฆ่า คนที่งดเว้นจะปานนารีบาศจะเป็นคนที่แข็งแรงนะคนที่อ่อนแอทั้งหลายคนที่ทําปานนารีบาไม่เยอะเนี่ยท่านก็ตัดเลื่อยดึงฟุดฟุดฟุดึดดดดงใหญ่ดึงไปดึงมาดึงตอนนั้นอ่ะทั้งเลือดก็กบปากว่าบริษัทธนะท่านอ้าปากอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ตัดมันก็ถูกเนื้อด้วยเลือดไหลไหมเลือดก็ไหลเต็มเต็มเต็มมาเลื่อยไปเลื่อยมาเลื่อยไปเลื่อยมาชักไปชักมาในส่วนจริงหมดแรงใครหมด ในพานสซนุดอนเพราะงานี่ยโยมว่างาของช้างใหญ่หรือไม่ใหญ่อามาเคยไปถวายงาช้างมาแล้วมีอยู่ครัง้งหนึ่งมาไปถวายงาช้างบูชาพระพุทธเจ้าโ ย, ย, ยมก็นิมนต์ไปให้ไปกล่าวคำถวายโดยถวายที่หลวงพ่อโสทรโอ้โหนึกว่างานนี่เล็กๆงางาช้างนี่ใหญ่กว่าหัวโยมนะใหญ่มากความใหญ่หญขนาดนี้แล้วก็ยาวสูงทั่วหัวนะงาช้างเนี่ยอายุตั้งหลายร้อยปี เข้าไปถวายเป็นพุทธบูชาอามาชื่นใจเนี่ยเนี่ยนึกถึงเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยเลยนึกถึงที่นายพานโสนุดรตัดงาพระบริสัท์เนี่ยพอหมดแรงท่านก็หยุดพอหยุดขึ้นมาท่านก็สั่นหมดแรงเนี่ยนะพระบริสัท์ก็บ้วนเลือดออกจากปากบ้วนบ้วนบ้วนบ้ว น, น, นออกจากปากแล้วก็ถามถามนายพานโสนุดรว่าสหายเอยท่านหมดแรงแล้วลือ นายพานก็สั่นแล้วเล็ก ๆ, ๆบอกว่าข้าพเจ้าหมดแรงแล้วถ้างั้นท่านลงไปข้างล่างเพระวิษณ์ก็บอกลงไปข้างล่างเอาเลื่อยขาปากเราไว้แล้วให้ไปแบกงวงเรานะ่ยลงไปไปแบกงวงเราเราไม่สามารถยกงวงไหวให้แบกงวงเรามาจับที่เลื่อยแล้วฉันจะแล้วเราจะตัดให้รีบไวๆว่างั้นเถอะเราใจจะขาดแล้ว เออถ้ามีคนมาขอ อ, ว, อวัยวะเราเนี่ยเรากล้าตัดให้เขาไหมตัดเองกล้าไหมถามว่าท่านทําทําไมเนี่ยในขณะที่จิตคิดจะให้เป็นทานบา ร, รมีไหมเป็นทานบา ร, รมีหรือไม่เป็นระ ง, งับความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นก็เป็นศีลด้วยนะที่จะไม่ประทุษล้ายเนี่ยไม่ศีลไม่ให้ร่วงกระมือดเนี่ยเป็นศีลบา ร, รมีด้วยเนะ้นะ่ะปัญญาที่รู้เหตรุรู้ผลเป็นปัญญาบา ร, รมีด้วย เพียรพยายามในการเยียาฝ่าฟันอุปสรรคและพยันตรายทั้งหลายที่มาถมทับทําให้ตนเองจ ะ, จะจะต้องตายไปก่อนเนี่ยเป็นวิริยะนะมีความอดทนมีความทนทานทางด้านจิตใจอย่างสูงเนี่เป็นคันติบา ร, รมีนะเป็นสัจจะที่จะต้องให้เป็นต้นอธิษฐานถ้ยังไม่ได้บรรลุสัมมาสัมปวิยาณจะไม่ถอนความตั้งใจเนี่ยนั้นบา ร, รมีทั้งหลายก็ไหลขึ้นในกระแสใจของพระโพธิสัตว์อย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะ แล้วในส่วนจริงในพานศสนนร้อก็ไปแบกงวงก็มาจับที่เรื่อยท่านก็กระชากปึดป๊ดปึ๊ดสามครั้งขาดไหมงาก็ะล่วงปึด๊ดหูใหญ่ใหญ่เลยล่วงมาท่านก็ใช้งาใช้งวงของท่านจับจับงาจับงาท่านก็ให้ในพานโสนนร้อเข้ามาท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านไม่รักงาคู่นี้ของท่านแต่เห็นไหม เห็น ไ, ไหมงาคู่นี้คือสัพพัญญุตยานของท่านนี่ความหมายหมายถึงอะไรที่ท่านให้เนี่ยท่านหวังอะไรเนี่ยท่านหวังปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านจะมาช่วยใครช่วยในพานโสณ ด, ดอนด้วยช่วยไม่ช่ว ย, วยต่อมาในพานโสณ ด, ดอนเป็นใครอาไม่ปจิบัติภพนี่ในพานโสณ ด, ดอนมาเกิดเป็นใคร พระเทวทัตไงพระเจ้าช่วยไหมช่วยหรือไม่ช่วยช่วยอันดับแรกก็คือช่วยให้พระเทวทัตได้มาบวชในาศาสนาพระชินเจ้าช่วยหรือไม่ช่วยถ้าไม่มีพระเจ้ามาให้อนุญาตให้พระเทวทัตมาบวชพระเทวทัตจกตกนรกฟรีแล้วจะไม่ได้เป็นพระปัจเจกพระเจ้า แต่ด้วยการที่ได้เข้ามาบวชได้เข้ามาฝึกฝนศีลสมาธิฝึกปัญญาระดับหนึ่งที่สุดจริงๆพระเทวทัตในปัจจุบันนภเนี่ยท่านได้ศีลได้กําลังของสมาธิได้สมาบัตแ8ได้พิญญาห้าด้วยเหาะได้มีฤทธิ์ด้วยนี่ไงใครช่วยพรนะเจ้านั่นแหละสอนเรื่องศีลสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องปัญญาระดับให้เข้าใจเหตุหเข้าใจผลแต่อยู่ต่อมาด้วยความโลภด้วยความโกรธ ด้วยความอาฆาตพยาบาทที่เคยสั่งสมไว้ในพระพุทธในพทธเจ้าอย่างยาวไกลมาเนี่ยก็บะก็ไม่ยอมปิดกั้นบาปประเภทนั้นให้บาปคือความริษยาความอาฆาตความพยาบาททั้งหลายเข้ามารุมล้อมจิตของตนเองเลยคิดฆ่าพระพุทธเจ้าเอาสิเนี่ยคิดฆ่าพระพุทธเจ้าคิดเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไปทํากรรมอันชั่วชา้าทํากรรมอันลามกที่สุดจริงๆใช่ไหมบรรพยาชีวิตก็พังวิบัติ แม้ใกล้ที่จะตายอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปที่วัดเชตวันกลุ่มบรรดาเพื่อนสติวิหารเลยก็หามไปแต่ด้วยกําลังบาปรกรรมที่หนักหน่วงนั้นนะ่ะท่านก็เดินไปท่านก็ลงจากเปหามแล้วไปเหยียบบนพื้นแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่สามารถรองรับบาปรกรรมที่ท่านทําไว้อย่างหนักหนาสหาสการณที่ยังสงให้แตกจากการบ้างทำพระพุทธเจ้าให้หอพระโลหิตเป็นต้นบ้างเนี่ยกรรมเหล่านั้นไม่สามารถที่จะบะ แผ่นดินไม่สามารถจะรองรับคนที่ทำบาปได้ขนาดนี้แผ่นดินก็แยกแล้วก็ดูดท่านลงไปทีนี้ในขณะที่ดูดท่านลงไปท่านสํานึกไหมจิตก็สํานึกขึ้นมาท่านทําอะไรต่อท่านถวายอัตภาพโดยเฉพาะถวายคางนี่แหละเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้ามีมือไม่สามารถที่จะไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ใจของข้าพเจ้าเนี่ยเขารอบเชื่อมั่นแล้ว อัตภาพที่ข้าพระเจ้ายังไม่ไม่จมลงไปในดินก็คือค้างนี่แหละขอถวายกระดูกนี้เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ท่านได้น้อมจิตศ ร, รัท ธ, ธาในขนาดนั้นแล้วก็ทุรนทุลายที่จริง้ก็ตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดเป็นสัตว์อยู่ในอเวจีมหานรกตอนนี้ท่านทรมานอยู่นะท่านทรมานอยู่นะเนี่ยเห็นหเนี่ยด้วยการที่พระเจ้านี่ะช่วย ในอนาคตอีกยาวไกลท่านอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ท่านจะฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถทำลายกิเลสเป็นสมุทเฉทอาหารได้ด้วยตนเองได้เป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้ามีนามว่าอัตถิสาระเพราะมีกระดูกไอ้นกคางเนี่ยถวายเป็นสาระในการถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระเจ้านี่ใครช่วยใครช่วยพุทธเจ้าบอกว่าเราตัดสรู้แล้ว จะให้ท่านที่ประทุษร้ายเราเนี่ยตัดสรู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ท่านผู้ประทุษร้ายเราข้ามได้ด้วยเราบรรลุแทงตลอดสัจจะทั้งสี่แล้วจะให้ท่านผู้ประทุษร้ายเราตัดสรู้สัจจะสี่ตามเราด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์ผู้นี้หายใจคล่องด้วยอย่าว่าแต่พวกเราเลยที่พระเจ้าช่วยแม้พระเทวทัต พระพุทธเจ้าก็ช่วยเห็นคําว่าพระมหากรุณาที่คุณหรือยังเห็นหรือยังเห็นไหมฉะนั้นแค่มีใจน้อมศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้านะบุญก็มหาศาลแล้วแล้วเชื่อหมเนี่ยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นที่รักของเรา แล้วท่านก็ถามบอกนายพานสนุดอนว่าสหายเอยท่านเดินทางมาเนี่ยที่จะมาฆ่าเราเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เจดปีเจ็ดเดือนเจดวันถ้าอย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งงาคู่นี้ท่านจะกลับไปถึงน้ำเมืองของท่านภายในเจวันโดยปลอดภยัยแล้วท่านก็ตั้งสัจยาธิฐานบอกว่าด้วยสัจจะบา ร, รมีของเราเราไม่โกรธ แม้ท่านที่มาตัดงานเรามาฆ่าเราเราไม่โกรธเรามีความกรุณาเรามีความรักเรามีความกรุณาในสาสตร์ที่คิดประทุสลายเราด้วยสัจจะด้วยความจริงอันนี้ขอภัยพ ย, ยัน์อันตรายทั้งหลายอย่าได้แผ่วแผ่นกระแสชีวิตท่านถอะแล้วท่านก็มอบงานนั้นให้ไปพอในพานคล้อยไปแป๊บเดียวแค่นี้นะ ช้างเจ็ดพันแปดพันเชือกฟืบกลับมาเลยพอมาเห็นตอนนั้นพระพบริษัทล้มหรือยังล้มหรือยังล้มแล้วล้มแปลว่าอะไรตายแล้วแล้วช้างเหล่า น, นั้นคิดอะไรต่อช้างเหล่า น, นั้นก็ล้อมกันแล้วก็เหยียบวิ่งเหยียบต้นไม้ทุกต้นเหยียบราบเป็นหน้ากองจะหาศัตรูที่ทำร้ายบรษัทเจอไหม ทำร้ายได้ไหมอะไรจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ช้างเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายในพานสนุดอได้เพราะอะไรนี่ไงสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานละบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ที่อธิษฐานเพื่อให้ปลอดภัยจากอันตรายเราท่านทั้งหลายเราเห็นน้ําใจของพระโพธิสัตว์หรือยังว่าท่านท่านขนาดนี้นะเราเกิดมาเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหม ได้เคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมในชีวิตเนี่ยว่าคนที่ไม่คิดประทุสร้ายแม้คนที่ประทุษร้ายเนี่ยตนเองเนี่ยเอาเป็นเราเนี่ยเราลองถูกประทุษรายนิดนึงนะเราไม่ให้อภัยใครนะตัวเราเนี่ยใช่ไหมล่ะจริงๆเราเป็นคนโหดร้ายไหมลึกๆเราเป็นคนโหดร้ายไหมเอาใครเคยตบยุงยกมือขึ้น นี่เ้าเรียกคนโหดร้ายยุงตัวใหญ่หรือตัวเล็กเขามีกําลังสู้เราไหวไหมเราไปตอบอะไรเขาไปตอบอะไรเขาต่อไปเวลาเขาจะมากินเลือดเราบอกเขาหน่อยได้ไหมบอกว่าเชิญเธอฉันจะให้เลือดเป็นทานได้ไหมแล้วก็ดูเขาด้วยเมตตาได้ไหม ลาสงสารเขาเขากินไม่กี่เพื่อเ่อเป็นมื้อสุดท้ายเขาน่ะเนี่ยใช่ไหมเพราะกินเบดเสร็จที่กินมากบินไม่ไหวแล้วบินบินไม่ไหวไปตายอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราโหเราเต็มที่เลยนะเนี่ยใช่ไหมละ่ะตอบเขาเหมือนตอบช้างเลยปึ๊กเต็มที่เลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกคนร้ายเราไม่ให้อภัยแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆบางทีฉันเห็นคนตอบยุงฉันกลัวเลยเนี่ย ก็ขนาดตัวเล็กๆเขายังขนาดนั้นเลยถ้าอย่างเราเนี่ยเราเลือกในใจโอ้โหนี่ยังกันเราเขาจะคิดยังไงนา no. อย่างคิดนี่นี่มาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งจะได้เห็นว่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่สุเมธาดาบทนอนอยู่บนหลังเปลือกตมท่านก็คิดว่าตอนที่ท่านก่อนที่จะรับพยากร์เนี่ยนถ้าเราจะพึงปรารถนาฟังธรรมของพระผู้มีภาคเจ้านะสถานที่แล้ว แล้วก็ขึ้นสู่ธรรมนาวาเผากิเลส ท, ทั้งปวงบวชเป็นพระสังฆณวกะเข้าสู่ ร, รมัมมะนครข้อนั้นไม่น่าอัศจรรย์สําหรับเราท่านบอกไม่อัศจรรย์เลยนะเราไม่ต้องการกระทําการเผากิเลส ท, ทั้งหลายแล้วบรรลุพระนิพพานในเพศที่ไม่มีคนรู้จักท่านบอกไม่เอาหรอกคนเช่นเราที่มีศักยภาพขนาดนี้ถ้าจะบรรลุพระนิพพานในเพศที่เราที่คนไม่รู้จักคาว่าไม่รู้จักก็คือว่า คนไม่รู้จักก็แปลว่าคนไม่ศรัทธาท่านต้องการจะบรรลุพระนิพพานแล้วสามารถเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปให้คนตั้งศรัทธาไว้ในท่านและพ้นทุกได้ท่านต้องการจะขนสัตว์หรือสัตว์ท่านก็เลยปรารถนาบอกว่าท่านบอกเมื่อเรานอนอยู่บนพื้นแผ่นดิ น, นมีความคิดว่าเราเมื่อต้องการที่จะเผากิเลสกิเลสในวันนี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะทําได้แต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่จะรู้แจ้งพระธรรมในาศาสนาในเพศที่ไม่มีใครรู้จักท่านก็เลยบอกเราจักบรรลุสัพพัญญุต ย, ยานเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่เป็นผู้ชายที่มีกําลังมีความรู้มีความสามารถที่จะข้ามพ้นไปเพียงลําพังแต่ผู้เดียว ท่านก็เลยบอกว่าเราจะบรรลุสัพพัญญุตยานช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามไปด้วยดูสิท่านตั้งการที่ท่านตั้งอัธยาศัยอย่างนี้เป็นอะไรอธิฐานอะไรอธิษฐานบา ร, รมีเป็นสัจจะด้วยไหมเป็นสัจจะท่านท่านบูชาความจริงทำจริงพูดจริงแล้วก็จริงใจในการที่กระทํานั้นเราบูชาความจริงไหมบูชาหรือไม่บูชาทําจริงไหม พูดจริงไหมจริงใจไหมมาปฏิบัติเนี่ยเรามามากันเรามาที่นี่เราตั้งใจว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัติจริงๆริงไหมทำจริงหรือเปล่าพอมาถึงก็ทำจริงจริงพูดจริงด้อยหรือเปล่าและมีความจริงใจในการปฏิบัติไหมหรือปล่อยกิเลสรบกวนเป็นระยะระยะจริงใจหรือไม่จริงใจไม่ค่อยจริงใจเลย พระพุทธเจ้าก็บอกตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านผู้ผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่เนื้อศีรษะของเราท่านว่างั้นแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงดูชาดินยิดาบทนี้ชีดดูชุมเมธดาบทผู้ที่มีตบะแก่ก้าในกับอันหาประมาณไม่ได้จากกับนี้ไปเขาจาักบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในโลก พระเจ้าพยากรณ์่ลยตถาคตจากเสด็จออกจากกบิลพัทที่น่ารื่นลมย์ทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกรกริยาหกปีะตถาคตจากประทับนั่งที่โคนต้นอชา ป, ปารนิโคดแล้วก็รับข้าวมาทุปลายาตแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชาลาพระชินเจ้าพระองค์นั้นจากสวย ข, ข้าวปลายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาลาแล้วก็ไปประทับที่ต้นโพตามผลตามผนทางอันประเสริฐที่เขาตกแต่งไว้แล้วจากนั้น พระ อ, องค์ผู้มีพยศที่ยิ่งใหญ่จะทําประทักษินโพธิมณฑลอันยอดเยี่ยมแล้วตัสรู้หน้าที่โคนต้นอัฏฐะพึกแล้วก็เป็นงั้นจริงไหมที่สุดจริงๆพระพุทธเจ้าก็ได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุริญานเนี่ยอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรไว้แต่เห็นไหมหลังจากได้รับพยากรแล้วท่านก็นมาพิจารณาใครควรทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนกขัมมะปัญญาวิรยิยะขันติ สัจจะทิฐานเมตตาและเวขาบารมีไขควรบารมีมันอยู่ที่ไหนเนี่ยทั้งทิศเหนือท e ิศใต้ตะวันออกตะวันตกในเบื้องทิศเบื้องต่ําหรือทิศเบื้องบนท่านพิจารณาดูแล้วถามว่าทานบารมีอยู่ทิศไหนอ่ะอยู่ทิศเหนือหรือทิศใต้ถ้าทานบารมีเนี่ยตะวันออกหรือตะวันตกทิศเบื้องต่ําหรือทิศเบื้องสูงเอ้าทานบารมีอยู่ที่ไหนอ้าวลองค่อยช่วยค้นหาหน่อยที่ทานบารมีอยู่ที่ไหน ไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจแล้วทานบารมีอยู่ทิศไหนอยู่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกหรือทิศเบื้องต่ำหรือทิศเบื้องบนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทหนี่ตัวเราใช่ไหมนั้นทานบารมีเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นตัวเจตนาทานเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจมีเจตจำนงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะกระทา ทานบารมีให้เกิดขึ้นแปลว่าเห็นไม้มมันมีมีพลังออกจากใจนี่นอะไอตัวทานบารมีเนี่ยมันไม่ได่อยู่ข้างนอกไม่ใช่ว่าคนเนี่ยให้ตึกหลังนี้ได้แล้วเป็นทานบารมีเผลอๆไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมอะทำยังไงถึงจะเป็นทานบารมีในขณะที่สละตึกนี้เป็นทานเนี่ยอะไรต้องถูกสละด้วยความโลภความยึดติดในวัตถุสิ่งของนี้ต้องถูกสละด้วยไห ถึงจะเป็นทานบา ร, รมีต้องถูกสละด้วยว่าความโลภความยึดติดความต้องการต้องถูกสละด้วยความโกรธเอาถามว่าบริจาคตึกนี้สมมติเราเป็นเจ้าของตึกสมมตินะสมมติว่าเราเป็นเจ้าของตึกนี้เราสละตึกนี้แล้วถ้ามีคนมาใช้ตึกนี้เราดีใจไหมดีใจหรือไม่ดีใจถ้ามีคนมาถ่ายอุจจาระปัสสาวะใส่ตึกนี้ดีใจไหมดีใจหรือไม่ดีใจ ดีใจหรือเปล่าอพอเขาพอถวายป๊อบมาเขาก็มาถ่ายยืนถ่ายปะสะัสสาวะเต็มไปหมดเลยถ่ายด้วยถ่ายอุจจาระด้วยแล้วก็มาขาดสเลตน้ําลายแล้วก็เอาของอะไรมาทิ้งเลอะเทอะหมดเลยในเนี้ยเราจะดีใจไหมดีใจไม่ดีใจเพราะอะไรนี่แสดงว่าสละขาดหรือไม่ขาดไม่ขาดแล้วขาดจะไปโกรธได้ไงนี่เขาเรียกว่าไปโกรธตัวคนที่เขารับ เห็นไหมว่ามันจะต้องสละด้วยไหมความโกรธต้องสละด้วยไหมความมัวเมาลุ่มหลงก็ต้องสละด้วยนั้นความอิจฉาลิสยามานะทิฐีทั้งหลายจะต้องถูกสละออกมาด้วยทีนี้นอกจากสละแล้วไม่พอนะอะไรต้องเพิ่มเติมด้วยศรัทธาต้องเพิ่มขึ้นไหมความไม่โลภก็ต้องเพิ่มขึ้นความไม่โกรธก็ต้องเพิ่มขึ้นความเพียรก็ต้องเพิ่มขึ้นสติก็ต้องเพิ่มขึ้นสมาธิก็ต้องเพิ่มขึ้น ตัวปัญญาความรู้ความเข้าใจทั้งหลายก็ต้องเพิ่มขึ้นจากการสละจากการให้อันนี้คือกลุ่มของทานบารมีที่แท้จริงฉะนั้นทานบารมีที่แท้จริงคือกลุ่มนามธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายที่มันไหลอย่างต่อเนื่องในกระแสของชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มพูนได้เรื่อยๆเกิดขึ้นเป็นไปตามลาดับเขาจยังเขาเห็นยังเห็นเราเริ่มเห็นทานบารมีในเราอย่างเห็นไหมเห็นไม่เห็น ลองคิดลงไปดูทีมีไหมตอนนี้มีไหมมีเจตนาทานไหมมีไม่มีมีเจตนาทานไม่มีความจงใจมีความตั้งใจมีพลังแห่งการที่คิดจะจะให้จะสละจะแบ่งปันมีเยอะไหมเยอะไม่เยอ ะ, อะเราคิดว่าจะให้อะไรใครคิดจะให้อะไรเนี่ยในชีวิตเราอยากจะให้อะไรใครคิดไหมเอาเอา ระหว่างวัตถุทานกับเจตนาทานเนี่ยต้องต้องต้องให้ตัวไหนเด่นก่อนต้องให้เจตนาเจตนาตัวเดียวได้ไหมต้องมีความเพียรได้วยมนั่งเจตนาอยู่ในม้งอยู่เจตนาจะให้เจตนาจะให้จะให้จะให้ถ้าไม่เพียรในการขยันที่จะลุกออกมาเนี่ยทานบารมีจะเกิดไหมต้องมีความเพียรด้วยใช่ไหมต้องมีความเชื่อด้วยมะเจตนาต้องไปกระต้นความเชื่อมั่น เขาเวลาจะบำเพ็ญทานบารมีเขาบำเพ็ญแบบหลับหับตื่นตื่นเง่วงสับประงกไปด้วยให้ทานไปด้วยจริงๆเห็นไหมพลังในใจต้องเยอะหรือไม่เยอะนั้นเขาเขาขับเน้นจากข้างในออกมาบารมีเนี่ยบารมีไม่ได้อยู่ทิศเหนือใต้ ต, ตะวันออกตะวันตกไม่ได้อยู่ในทิศเบื้องต่ำเบื้องบนอะไรนะแต่มันอยู่ในตนนี่แหละแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือเฟ้นเอาตัว บารมีในตนออกมาได้มนุษย์โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถเอาออกมาได้โดยมากการให้มันจึงไม่ค่อยมีพลังเข้าใจไหมหรอไม่ค่อยมีพลังอะไรหรอกให้ศรัทธาความเชื่อมั่นก็อ่อนแอความเพียรความบากบั่นก้าวไปใจสู้ก็อ่อนแอเจออุปสรรคนิดเดียวก็ทอ้อเอาเวลาจะถืออาหารไปจะไปถวายทานมีคนบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าไป นี่มาทํางานตรงนี้ก่อนหยุดไหมแค่นี้แหละเราเริ่มมีคนด่าหน่อยแค่เนี่ยไม่กล้าให้แล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราจะมีเหตุปัจจัยที่จะสกัดทานเราเจอปัญหาเจออุปสรรคหน่อยฝนตกอ่ะยังให้ทานอยู่ไหมฝนตกให้ทานไหมฟ้าผ่าชักไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮไฟไหม เห็นไหมเราเจออุปสรรคหน่อยเราไม่กล้าให้แล้วให้สังเกตดูนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะให้ทานก็ต่อเมื่อบรรยากาศเอือ้อแต่ถ้าหากมีอะไรมาขัดขวางไม่เอาใครเคยให้ทานทุกวันยกมือดิทุกวันเลยทุกวันเอายกมือหน่อยดิเดี๋ยว ด, ด, ด, ดูหน่อยให้ทุกวันโอ้หน้าชื่นใจเอาไม่มีเว้นเลยใช่ไหมเคยป่วยหนักๆหม ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์สิท้าถ้าเจอฝนตกอย่างแรงยังให้อยู่ไหมแล้วออกไปให้ใครฝนตกอย่างแรงก็ยังไปให้ทานอยู่เลยป่วยก็ให้ใช่ไหมฝนตกก็ให้ใช่ขับรถไปรถเสียกลางทางยังไม่ถึงวัดก็เดินเอาเป็นขนาดนั้นไหมขนาดนั้นไหม เอออย่างที่ที่เจ้าการพูดเห็นไหมพลังของทานเนี่ยมันมีมันเป็นแบบนี้นะถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยฉันจะต้องให้ก่อนถึงบริโภคที่หลังเวลวออกไปช่วยตั้งใจอย่างนี้ได้ไหมฉันจะให้ทานก่อนแล้วฉันบริโภคที่หลังแล้วปากได้ไหมกินที่หลังนะ่ะทำได้ไหมอ้าวทำท่าไม่ได้อีกไม่ได้อีกห่วงตัวเองเลยเกินมันยากเลยยากเลย ไม่เห็นยากเลยแล้วก็ถวายพระเจ้าก่อนได้ไหมได้ไหมมันหิวจัดแล้วตีสี่รีบถวายพระเจ้าเลยเอาข้าถวายพระเจ้าก่อนแล้วรีบมากินสั่นก็ก็กินเลยได้ไหมเห็นไหมเราให้ก่อนจงให้ก่อนแล้วบริโภคทีหลังตั้งอัธยาศัยไว้นี่ต้องการจะพูดเห็นไหมพวกพวกเราเนี่ยถ้าเจอโดนด่าโดนว่าเจออุปสรรคฝนตกแดดออกเกิดพายุน้ําท่วมแผ่นดินไหว เกิดเรื่องร้ายๆต่างๆเจ็บป่วยขึ้นมาไม่ให้ทานแล้วแค่นี้ก็ขวางกานอุปสรรคนี่ก็เรียกแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นแบบเราไม่เป็นอย่างนี้เลยอะไรก็ขวางกานทานบารบมีของท่านไม่ได้นี่เข้าใจยังเอาศีลล่ะนี่พูดเรื่องศีลศีลอยู่ทิศไหนเหนือใต้ ต, ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องต่ําหรือเบื้องบนศีลอยู่ทิศไหนศีลอยู่ที่ไหน ศีลก็อยู่ในเรานี่แหละทีนี้ศีลเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมจับต้องได้ไหมสามารถทำให้เกิดเป็นเนื้อเป็นตัวได้ไหมได้หรือไม่ได้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไหมเอานั่งตอนนี้ทำให้ศีลเกิดได้หรือไม่ได้เอาให้ศีลอะไรข้อไหนเกิด งดเว้นจากการฆ่าเกิดได้ไหมตอนเนี้เพราะเรางดเว้นอยู่แล้วใช่ไหมแปลว่าเรานั่งเฉยๆไม่ฆ่าใครเลยใจเราอยู่สบายๆแต่เรากําลังทํากิจกรรมอย่างอื่นอยู่ตอนนี้ถือว่าเรางดเว้นจา ก, การฆ่าแล้วใช่ไหมมันต้องมีเจียจานงไหมมีความจงใจมีความตั้งใจนะเห็นไหมว่าศีลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการฝึกให้มันเกิดไม่ใช่ร้องขอให้มันเกิด ศีลต้องฝึกต้องฝึกต้องพัฒนาต้องเพียรพยายามที่จะทำให้เกิดนะศีลเนี่ยนะถ้าไม่งั้นเขาจะเกิดไหมตัวศีลเนี่ยมันจะมีว่าเจ็ดจำงที่งดเว้นจากการฆ่ามีไหมเรามีความตั้งใจไหมว่าจะเราจะไม่ฆ่าจะไม่ฆ่าสัก เ, เรากล้าบอกกับเพื่อนเพื่อนทุกคนหรือยังว่า เจอหน้าเพื่อนปุ๊บล้วก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยเพื่อนปลอดภัยแล้วฉันฉันเป็นผู้มีศีลฉันเป็นผู้มีสาสนะฉันมีพระพุทธเจ้าวิธรรมประสงค์เป็นสาสนเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยฉะนั้นฉันให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทุกจาพวกไม่ใช่แต่เพื่อนเท่านั้นสัตว์ที่มีชีวิตทุกจาพวก เมื่ออยู่ต่อหน้าฉันปลอดภัยได้หมดเลยไม่ต้องกลัวกล้าพูดคานี้ได้ยังไม่ต้องกลัวจะ ต, ตายยังลุกวาวอยู่ไหมเห็นไหมถ้ากราณีอย่างนี้แปลว่าศีลเกิดหรือไม่เกิดจงใจตั้งใจที่จะให้เกิดจริงๆเวลามีมดมาตายที่มือปัป๊บปัก็ยิ้มให้เขาเลยเนะโอ้เธอตายคนเธอขึ้นมาตายฉันเนี่ยถูกต้องแล้ว เพราะฉันเป็นผู้มีศีลฉันเป็นผู้มีกัลยาณธรรมขอให้เธอปลอดภัยนะแล้วก็ค่อยปัดปัดปัดเข้าไปนะเนี่ยพอเห็นเขามาจับอย่างนั้นก็ยิ้มเลยนะหรือเห็นมแมลงวิ่งมาในห้องยิ้มเลยโอ้ยเนี่ยนี่เธอเข้ามานี่เธอปลอดภัยแล้วเธอมาอยู่ต่อหน้าเราซึ่งเป็นผู้ไม่มีเวรกับใครไม่ผูกเวรไม่จองเวรใครแล้วเอาหาที่อยู่ของเธอนะ มีงูวิ่งมาในห้องโอ้ยเธอปลอดภัยแล้วเธอปลอดภัยแล้วใช่ไหมเพราะเพราะเธอมาในมาหาบุคคลที่ไม่มีเวรภัยกับใครใช่ไหมละ่ะมีมแมลงสาบบินมาจับศีรษะโอ้ยเธอปลอดภัยแล้วเข้าใจยังเป็นอย่างนี้ไหมในชีวิตเธอเ เ, อเราเป็นแบบนี้ไหมคือคือให้มีความรักความ ปรารถนาดีความเอื้อทนกับเขาจริงๆนี่มันมันจะเกิดอย่างนี้นะถ้าถ้าพลังของเมตตาเกิดพลังของการงดเว้นจากการฆ่าเกิดมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าพอเห็นอะไรงั้นคนรักษาศีลเนี่ยจะเป็นคนที่มีกำลังของโทสะแรงหรือเมตตาแรงเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรเมตาก็ไมตรีกับเมตตาเดียวกันไหม ก็คือเข็นเขาเรียกคุณธรรมของมิตรอันนี้เป็นเพื่อนกันไหมเนี่ยทุกคนนั่งกันอยู่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่ก็เรียกเพื่อนต่างไวัยนะไม่ใช่เห็นเพื่อนกันแลจับสีรษาทุกคนเลยโอเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้เขาเรียกเขาแปลว่าเพื่อนอะไรเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเหมือนกันหมดไหมต่างกันไหม ไม่ต่างกันเลยเป็นเพื่อนอลักษณะอย่างเงี้ยศีลมันเกิดอย่างนี้นั่นมันมีพลังเกิดจากภายในและตัวกุศลศีลก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะพอดีศาสตร์ท่านก็คิดบา ร, รมีจริงท่า น, นเนี่ยไม่บา ร, รมีอยู่ข้างในจริงๆนะถามว่าอะไรเป็นตัวตัดตราของศีลต้นตอนนี้ต้นของกุศลศีลของเราจเจริญงอกงามไหมจเจริญหรือไม่จเจริญ งามไหมเนี่ยมาปลูกพาะกี่วันแล้วมาเพาะศีลกี่วันแล้วเนี่ยเพาะต้นของศีลกี่วันแล้วหกวันแล้วรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงออกต้นลำต้นออกมาสวยงามไหมออกดอกออกผลหรื อ, อยังคําว่าออกดอกออกผลก็แปลออกมาทางกายออกมาทางวาจาเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดพฤติกรรมทั้งหลายก็ดูน่ารักหมดเลยตั้งแต่หัวจรวดเท้าเนี่ยน่ารักมากเลยเป็นไง ดอกผลออกมาดูงดงามดีไหมหรือยังเป็นแป้นอยู่งดงามดีไหมทีนี้อะไรเป็นตัวตัดรากของกุศลศีลทำให้ตัวกุศลศีลไม่เจริญงอกงามอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมเอออย่าทำท่ารู้ทีม่มันจะได้รีบมันจะหมดเวลาอยู่แล้วก็ทำทีไม่รู้ไปจะมา ทำท่าอย่าเหมือนพยักพยักพยักเหมือนจะรู้มาตอบจริงก็ตอบไม่ถูกอีกพวกเราชอบทำบรรยากาศมันเสียเวลาจริงจริงก็ยอมรับว่ามันไม่รู้อะไรเป็นตัวตัดรากเอารู้ไหมยกมือทีนั่นนี่เห็นไหมไม่มีใครรู้สักคนจริงๆอย่างที่ฉันกะแล้วเนี่ยฉันเป็นคนคำนวณเรื่องพวกนี้ไม่มี นี่ถูกทุกทีเลยแบบตัวโทสะตัวพยาบาทเป็นตัวตัดรากความหงุดหงิดความโกรธความพยาบาทเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวตัดรากของกุศลศีลถามเมื่อตัวกุศลศีลเนี่ยเราไปปลูกปุ๊บมันมีรากออกมาแล้วใช่แล้วมันมีอะไรตัวคอยตัดตลอดอะไรเป็นครัวตัดโทสะเอ้ามาหวันนี้โทสะเกิดบ่อยไหม เกิดไม่เกิดยังเกิดยังไม่รู้ตัวว่าเกิดนี่จริงๆเกิดไอตัวนี้มันจะคอยตัดพอตัดแล้วพอไอต้นไม้รากมันถูกตัดแล้วต้นไม้จะเจริญไหมศีลเนี่ยถูกโทสะตัดบ่อยๆจะเจริญหรือไม่เจริญนสรุปแล้วตัวตัวไหนเป็นตัวบำรุงรากเป็นยาให้รากศีลเออเมตตากรุณาแต่นี่เป็นตัวบำรุง แล้วเราก็ใส่ยาบํารุงรากบ่อยๆเมื่อรากเขาเจริญเติบโตเขากินอาหารได้ไหมกินอาหารได้ตัวศีลมันก็เจริญเติบโตออกมาออกมาเป็นพฤติกรรมที่งดงามถ้าคนมีศีลเนี่ยพฤติกรรมทางกายเป็นยังไงงดงามไหมบุคลิกภาพดูดีไหมหน้าเนี้ย อ, อคิ้วขมวดหรือเปล่าไม่ดูเรียบร้อยดูงดงามดูยิ้มแย้มแจ่มใสมานั่งฟังธรรมะก็เรียบร้อย นั่งสับังงกซ้ายสับังกขวานี่แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอ้าวกำลังบํารุงรากของศีลอยู่ใช่ไหมกําลังใส่ยาบํารุงหรือใส่ยาแรงไว้หน่อยโอ้ตัวศีลออกมาเป็นต้นดูตายแล้วเริ่มเข้าใจอย่างแต่เนี้ยเออมันเป็นต้องฉลาดในการที่จะให้จริงๆนะถ้าไม่ฉลาดเนี่ยตัวกุศลศีลมันจะไม่เจริญเติบโ ต, ต, ต, ตหรอก ไม่ใช่ไม่งกไม่งามแล้วถามหน่อยว่าเกิดมามาปฏิบัติตั้งห้าหกวันแล้วเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมว่าศีลมันอ้วนขึ้นน่ะมันเจริญขึ้นน่ะมันโตขึ้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหนักขึ้นเวลาศีลมันถ้าศีลมันเจริญขึ้นน้ำหนักมันขึ้นั้มเกี่ยวกันไหมเกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่ใช่โอ้โหทั้งนั้นคนผอมก็รักษาศีลได้ดีนนี้ไม่ใช่เง้ไม่เกี่ยวกับน้าหนักมันเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงจริงบางทีเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นอะไรเป็นเป็นข้อวัดว่าศีลเราศีลเราเจริญหรือไม่เจริญศีลเรางอกงามหรือไม่งอกงามอะไรเป็นเครื่องวัด ทำท่าตอบไม่ได้อีกทำท่าตอบไม่ได้อีกอะไรเป็นเครื่องวัดอสังเกต ต, ตรงไหนถ้าหากตัวกุศลศีลมันเจริญขึ้นมาเนี่ยกิเลสในใจมันลดลงไหมความโกรธมากขึ้นหรือลดลงถูกและพฤติกรรมที่ออกมาสังเกตดูนะตัวกุศลศีลศีเนี่ย ม, มาจากคำว่าศีลนะนะใช่ไม้ม ศีลนะสับนั้นก็แปลว่าเป็นตัวลักษณะที่บอกว่าทําให้ไม่เกลื่อนก ล, ล่นไม่กระจัดกระจายเมตตาไซสัพ์นี้เดี๋ยวเราไม่เข้าใจอีกกายกรรมวจีกรรมที่ไม่เกลื่อนก ล, ล่นไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปด้วยอํานาจแห่งความทุศีนถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเอาไม่เข้าใจอีกยากจังเลยมนุษย์เรานี่อธิบายไงเดียร์ยัง กายกรรมของเราที่ไปฆ่าเนี่ยถือว่าเกินกว่านียังไปรักไปประพฤติผิดในกรรมปากที่พูดทั่วมั่วไปหมดเนี่ยพูดเท็จแหมได้จังหวะพูดจนคล่องเลยบางคนพูดเท็จจนคล่องเน่ยเคยเห็นเคยเคยเห็นคนที่พูดเท็จจนคล่องไหมเวลาแม่ถามไปไหนมาไม่ได้ไปไหนมาแม่ไปตลาดพูดเท็จคล่องหรือยังเดี๋ยวนี้ยบอกไม่ได้ไปไหนเราไปตลาด คล่องไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่กรณีอย่างว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดเหล่านีเออ้เป็นที่ตั้งของความของความทําให้ศีลแล้ให้ล่วงละเมิดศีลได้ไหมเนี่ยที่เรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นเหตุทําให้อีกคนหนึ่งล่วงละเมิดศีลได้หรือไม่และเป็นเหตุให้ศีลตั้งมั่นได้หรือไม่ อยู่ที่คนอื่นทําหรือเราทําอยู่ที่ใครอะเราเวลาศีลเราขาดแต่ละข้อเราโทษคนอื่นหรือโทษตัวเราเองฉะนั้นถ้าเราจะให้ศีลเจริญขึ้นก็แปลว่าปรับอะไรปรับเจตจํานงปรับวิธีคิดปรับความตั้งใจตั้งตั้งเจตจํานงใหม่ถ้าตั้งเจตจํานงปุ๊บเนี่ยตัวศีลจะเกิดและศีลจะไม่เกิดก็ได้ด้วยเช่นถ้าตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะต้อง ทำให้ศีลเกิดนตั้งเจตนาอย่างนี้นะงั้นพอเห็นปุ๊บเราก็สามารถทําศีลให้เกิดได้แล้วเนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ทําให้กูสลศีลข้อที่งดเว้นจากการฆ่าเกิดได้ไหมให้ใจเป็นไปกัลปุณาได้ด้วยใช่ไหมเรามีศสตราวุธมาไหมในมัเนี้ยมีไม่มีจริงๆปากกาเป็นสตราวุธได้ไหมได้อย่าลืมนีเอาไปเสียบกันก็ได้นะเนี่ยใช่ไหมล่ะ ก็บอกเพื่อนที่นี่ฉันมีปากกาเนี่ยปกติเนี่ยเห็นไหมปากกาเนี่ยฉันใช้เป็นอาวุธก็ได้ฉันใช้เป็นสิ่งที่ดีงามก็ได้แต่เห็นไหมเพราะฉันมีศีลฉันเลยไม่คิดเอาปากกาไปไ ป, ไปฝากไว้ที่ท้องคุณ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวกุศลศีลมันเกิดงั้นตอนนี้ก็พัฒนาให้มันเกิดมากขึ้นนั้นศีลละนะเนี่ยก็คือการไม่กระจัดกระจาย แล้วก็เป็นภาวะที่ตั้งมั่นด้วยเป็นฐานด้วยเป็นฐานรองรับด้วยเข้าใจครับว่าฐานรองรับไหมโดยเฉพาะสมาธิอ่ปลาโมดปีติปสัสสติสุขและสมาธิทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงศีดนี่แหละอยู่ที่ศีดนี่แหละเริมเข้าใจยังฉะนั้นศีลบรารมีทั้งหลายเหล่านี้ พิจารณาดูแล้วว่าโพธิสัตว์บอกเราหมดแล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไปพิจารณาแล้วไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะคนบางคนชอบไปบอกว่าที่ฉันรักษาศีลไม่ได้ก็เพราะไอ้คุณนี่แหละอันนี้แปลว่าเข้าใจศีลหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจฉะนั้นศีลมันอยู่ในตนทานบารมีอยู่ในตนไหมศีลบารมีก็อยู่ในตนแต่ตอนนี้ทานบารมีของเราเจริญไหมเจริญงอกงามดีไหม สินบา ร, รมีเจริญงอกงามดีไหมมันไม่ค่อยเจริญเพราะเราไม่มีอุบายวิธีไม่ฉลาดในการที่จะเพาะบ่มให้เขาเจริญเติบโตขึ้นเองฉะนั้นเราก็ต้องเพียรพยายามตอนเนี้เราจะไปมัวโทษสิ่งอื่นภายนอกไม่ได้แล้วใช่ไหมสิ่งอื่นภายนอกขอให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทําให้บา ร, รมีเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้ถ้าทําอย่างนี้แปลว่าเรากําลังฝึกตัวเองใช่ไหมคําว่าฝึกกับคําว่าพัฒนาเหมือนกันไหม ฝึกพัฒนาจเจริญเหมือนกันไหมอันเดียวกันนั่นแหละภาวนาก็อันเดียวกันฉะนั้นศีลต้องจเจริญหรือไม่ต้องจเจริญจเจริญไหมทานต้องจเจริญด้วยไหมทานก็ต้องจเจริญศีลก็ต้องจเจริญเนคขม้าต้องจเจริญด้วยไหมตอนนี้เรามาบำเพ็ญเนคขมา้า อ, อยู่ไหมเนคขม้าได้แก่อะไรได้แก่อะไรพื้นๆเลยก็เลยการออกบวชมานุ่งขาวผมขาวตอนนี้บวชได้ยังถือศีลกันค้าแล้วเท่าไหร่ 8ปดข้อเหลือกี่ข้อเหลือกี่ข้อยังเหลือครบไหมครบไม่ครบรู้ได้ไงเมื่อเช้านั่งนับมาหรือยังนับหรือยังมีตัวไหนบกบกบกพร่องไปบ้างไหมมีไมลองนึกดูที่อ่าตัวไหนข้อไหน มีตัวไหนทําท่าจะขาดทําท่าจะขาดแต่มันไม่ขาดในเะรืงเี้ยเบ็ดเอามีตัวไหนผอมที่สุดเา้าตัวไหนผอมที่สุดงดเว้นจากการฆ่าแข็งแรงดีไหมตัวเนี้ยเป็นไปกับเมตตาไหมเอางดเว้นจากการรักแข็งแรงดีไหมใจคิดจะให้จะสละจะแบ่งปันไหมงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามไม่เกี่ยวข้องในกามแข็งแรงดีไหม ใจยังน้อยไม่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความสุขในครอบครัวของเขาเองไหมงดเว้นจากการพูดเท็จกล่าวแต่คําสัตว์คําจริงไหมงดเว้นจากการพูดส่อเสียดมีการยุให้คนทะเลาะ ก, กันได้กี่คนหลอนนือยังเนี่ยยังนะยังไหมออกไปทํำไหมอา้าวงดเว้นจากการพูดคําหยาบพูดวาจาอ่อนหวานต่อกันไหมมีพูดด้วยแบบ นี่ชยหยิบมาให้หน่อยแต่ตาตาแข็งแข็งมีบ้างไหมอ้าวคำว่าพูดคำพูดพูดไพ่ล้อเนี่ยที่มันจะเป็นการไม่พูดหยาบเนี่ยสมมุติถ้าเราพูดแบบไพ่ล้อจริงแต่โกรธเนี่ยเคยเป็นไหม เ, เคยบอกเขาเคยโกรธอย่างสมมุติเราเราโกรธคนคนนี้มากแต่เราพูดกับเขาพาะเพาะเนี่ยเช่น ไปกลับบ้านไปกลับไปแล้วก็อย่ากลับมาอีกนะแต่ในใจเราคิดคอยมันไปตายอย่างเงี้ยถามว่าพูดงี้เป็นเป็นวาจาเป็นวาจาเพลอ้อไหมเช่นเราเรารำคาญมันมากคนเนี้ยไปไ ป, ไปกลับบ้านได้ไปนะนะอ ย, อ, ย อ, ย อ, ยอย่าอย่าอย่าอย่าอยู่่แถวนี้เลยกลับไปเสียกลับไปเสียนะกลับไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะแต่ในใจเราคิดว่าให้มันไปตายสยิคิดแบบนี้อันนี้เป็น ปี๊ยาวาจาหรือเปล่าอันนี้เชื่อพูดอุจาอ่อนหวานไหมเอ้าเราไม่ด่าเขาอ่ะเขเห็นแม่ค้าขายของไหมแม่ค้าขายของเขาพูดพร้อมไหมโอ้โหพูดพร้อมมากเวลามาไปบินธบาตนี่เจอเขาขายของเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปผ่านตลาดเขาจะพูดพร้อมมากเลวันนี้แม่ค้าทะเลาะกับสามีด่ากันกับสามีด่ากันยัง พอมีลูกค้าเดินมาปุ๊บทั้งๆที่กําลังด่ากันอย่างเมามานันเนี่ยหันมาเอาอะไรจ้า <c oughs> เคยได้เห็นไหมไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การพูดแบบนี้ใช่ปีญะวาจาไหมในใจมันอยากจะได้พูดด้วยโลภะงั้นพูดด้วยโลภะก็ไม่เรียกว่าปีญวาจาพูดด้วยโทสะก็ไม่เรียกว่าปีญวาจาพูดด้วยโมหะคือความมืดบอดก็ไม่เรียกว่าปีญวาจาเขาใจยัง ปียาวาจาอวาจัจาอ่อนหวานจริงๆมันพูดด้วยด้วยกุศลด้วยเมตตาด้วยกรุณาเมื่ออามาเนี่ยพูดเนี่ยอามาต้องตั้งอะไรอ่อเวล า, ามาบรรยายธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยคิดว่าอามาจะต้องใช้เมตตาในการพูดหรือกรุณาในการพูดหรือมุทิตาในการพูดอ่สามตัวนี้อามาใช้ตัวไหนมากที่สุดฮะตัวไหนบางครั้งอามากขพูดด้วยโทสะเหมือนกันเนย พูดงีก็ไม่เข้าใจพูดงี้ก็ไม่เข้าใจเนี่ยเนีเามาก็อมันไปไปมามาอา้าวเราจะโทษพวกเราหรือโทษอามาเองสมมุติถ้าอมาทําให้อมาพูดแล้วต้องอามากบางทีหลุดโทสะออกไปเลยสมมุติเนี่ยจะโทษใครโทษผู้ฟังใช่ไหมงั้นต่อไปอยากให้พวกเราทําหน้าให้เหมือนคือ คือพอเอามามันั่งปุ๊บเนี่ยพวกเราตั้งใจฟังเนี่ยเอามาคือยังไงยังไงก็ยมก็ทําบุคลิกภาพให้มีเหมือนคนมีศีลน่ยเอาบุคลิกภาพของคนมีศีลก็นั่งฟังธรรมะก็นั่งยังไงบุคลิกภาพของคนมีศีลศีลมันเกิดขึ้นจากการมีศรัทธาใช่ไหมมีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจารคามีปัญญาฉะนั้นคนที่มีความมีศรัทธา แต่บางคนมาปุ๊บทำหน้าเซ็งเซงเนี่ยเคยเป็นไหมเ้าเวลาพระมานั่งพวกก็ทำหน้าเซ็งเซงเบื่อเบืองนี้ยลักษณะอย่างนี้ก็เรื่อศีลมันไม่เกิดนะยอมนะแบบนั้นนะ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเกื้อกูลกันได้เหมือนกันนะนะเกื้อกูลฉั้นเวลาเอามาพูดเนี่ยมันก็จะนึกเอ๊จะนี้เราพูดด้วยเมตตานี่เราพูดด้วยกรุณานี่เราพูดด้วยมุทิตาเอามาอยากจเจริญมุทิตาในการพูด แต่ยังไม่ค่อยได้เจริญเลยตั้งแต่มาเนี่ยแต่ถ้าหากพวกเราดูโอ้โหทั้งการปฏิบัติของพวกเราก็พัฒนาอย่างมากเลยเนี่ยเอามาจะชื่นใจมากเลยใช่ไตอนนั้นเอามาพูดไปกมุติตาไปพอยินดีไปส่งเสริมนพนอยินดีไปก็ปลื้มใจไปในขณะที่พูดนั้น เห็นการเห็นตัวศีลในกระแสชีวิตของพวกเราพัฒนาเห็นสมาธิกำลังพัฒนาขึ้นเห็นปัญญาพัฒนาขึ้นโหมามาทีไรก็ได้แต่พูดเต็มมุทิตาพอยินดีในการฝึกฝนพัฒนาของพวกเราแต่เท่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เลยนะโดยมากก็ใช้เนี่ยเป็นหลักเลยก็คือกรุณานั้นได้เมตตาดีแต่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นเอกรุณาในการพูดอยู่นี่ ก็เลยเามาก็อยากจะฝึกตัวอื่นด้วยเข้าใจใช่ไหมพูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาพูดด้วยมุทิตาเนี่ยนานๆจะได้เจอบรรยากาศในการพูดด้วยมุทิตาคือพลอยยินดีกับการที่พวกเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติแล้วประสบความสําเร็จนี่ยถ้าใครประสบความสําเร็จก็มาบอกหน่อยครับอาจารยา์ดิฉันประสบความสําเร็จแล้ว ประสบความสำเร็จข้อไหนบอกโอ้เนี่ยตอนนี้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาโอ้โหท่ายางเงี้ยเั่นพูดไดมุทิตาเริ่มเข้าใจได้ยังว่าจริงๆแล้วเนี่ยบา ร, รมีนนมเนคขม้าก็แปลว่าอะไรการออกบวชเนคขม้าอีกความหมายหนึ่งแปลว่าปฐมฌานการฝึกอาณาปนาสติสมาธิเป็นต้นจนสามารถยังปฐมฌานเป็นต้นให้เกิดขึ้นได้ได้ยังมีใครได้บา้างยังยาง เน่ฆมาอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อของพระนิพพานด้วยแล้วปรารถนาไหมและปราถนาพ้นทุกข์กันไหมปราถนาหรือไม่ปราถนาตามจริงถ้าเราพ้นทุกวันนี้เอาไหมเอาไม่เอาเพียนแค่นี้นะเอาไหม กลัวพวกเราเหมือนสองตายายวะ่ะมันมีไอ้สองตายายที่สวดมนต์ทุกวนันอยู่ข้างห้องเป็นห้องชุดไอ้เป็นห้องไอ้เป็นเหมือนอาคารชุดอาคารที่เป็นอยู่ใกล้บ้านเขาเป็นตึกแถวตึกแถวข้างบนมันลงๆสองตายายแกเป็นคนไม่รู้เรื่องแกก็สวดมนต์แกสวดมนต์ทุกวนันพอสวดเสร็จพวกก็ขอให้ไปนิพพานสวดดงังๆแล้คนแกนอนไม่ค่อยหลับ ไอ้ข้างห้องมันลำคาญเนาเข้า <c oughs> ใจใช่ไหมไอ้ห้องข้างห้องมันก็ลำคาญลำคาญอีกไอ้ไอสองตายายเนี่ยสวดมนต์กันก็ดังจุดทูบ ก, ก็เหม็นแล้วยังพอปรารถนาจะไปนิพพานจะไปสวรรค์จะไปนิพพานกันอยู่นั่นแหละขอให้เกิดในสวรรค์ขอไปนิพพานก็พูดกันอยู่นั่นแหละไปไปมาไอ้ข้างบ้านงนี้ทํำยัำยงไงจะแก้นิสยัยสองตายายเนี่ยมันก็ไปไปแอบ เอาชุดลิเกของใครไม่รู้มาใส่ตอนคืนเนี่ยมันก็ปีนขึ้นไปข้างบนเยยังปีนปเพราพอไอ้สองตายายสวดมนต์พอปราศทนาให้ไปสวรรค์ให้ไปนิพพานพูดกันดังๆเนี่ยมันก็บอกเออวันนี้มารับแล้วมารับแล้วโตว๊ะตกตะลึงกันมากมันมืดๆนันนะบอกเอา้าตอกลองวันเนี้ย จะมารับไปทั้งคู่จะไปสวรโอ้โหแต่เนี้ยเริ่มยุ่งแล้วงานเนี้ยตายายเถียงกันกัดเลยบอกว่าไอ้ตาก็บอกให้ยายไปก่อนไอ้ยายก็บอกให้ตาไปก่อนเถียงกันอยู่นั่นแหละไปไปมไเทวดาปอมันก็บอกเอา้าตกลงใครจะไปก่อนมาเถียงกันอยู่นั่นแหละว่างั้นไปทั้งคู่เลยว่าเดี๋ยวลอก่อนไม่อยอมเออไอ้ไอ้ เ, อ เ, อเอนี่ยก็เลยบอกว่า ต่อไปเนี่ยเวลอาอธิษฐานอาธิษฐานเบาๆหน่อยฉันอยู่บนสวรรค์และฉันลำคาญฉันลำคาญเนี่ยคนไม่รู้เรื่องขอให้เราอยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมและเพที่อยากจะไปนิพพานอยากจะไปสวรรค์แต่ไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นแบบนี้ไหม รู้ไหมนิพพานเป็นยังไงรู้ไหมถ้าไม่เกิดอีกเราเอาไหมเอาไม่เอาเอายกมือทีถ้าไม่เกิดเอาไหมไม่เกิดเลยนะเราเอาใครอยากเกิดใครเข้าใจว่านิพพานยังมีการเกิดอีกนิพพานเนี่ยแปลว่าหมดกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดนะเอาไหมเอางั้นช่วยอธิษฐานหน่อย โดยกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำมาทั้งหกวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าตายแล้วอย่าได้ผุดได้เกิดเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอานั่นทำท่าจะไม่เอาเลยเห็นไหเอาก็บอกไม่เกิดเน่ยฮะก็ไม่เอาเห็นไหมจะไม่กลัวนิพพานได้อีกแล้ว กลัวเลยคำว่าไม่ผุดไม่เกิดนี่กลัวเลยกลัวเลยกลัวไหมกลัวไม่กลัวนิพพานยังมีการผุดการเกิดอยู่ไหมมีไม่มีไหมพอบอกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกลัวไม่ได้หายใจใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมจริงจริงนิพพานการคือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะเนี่ย ที่ต้องการสังเกต ด, ดูทีต้องไปาถามรายละเอียดของแต่ละบุคคลหนึ่งถ้าบอกว่าคุณต้องการไปนิพพานต้องการพ้นทุกข์จริงไหมเขาก็บอกจริงอ้าวถ้าจริงแล้วเอาอธิษฐานที่ด้วยกุศลที่ทํามาขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้ผุดได้เกิดอีกเลยผมไม่เอาเลยเดี๋ยนี้กลัวเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมทำไมถึงกลัวกลัวไหมไม่กลัวเนอะ เน่ฆมาเป็นชื่อของนิพพานเน่ฆไมอ่อย่างหนึ่งก็เป็นชื่อของการออกบวชนะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการวิปัสสนาญาณทุกอย่างฉนั้นกุศลที่เรากําลังทําการเจริญอาณาปานสติเนี่ยเป็นเน่ฆมะด้วยนะเพราะอัตยาศัยที่เราตั้งสติไว้อย่างมั่นคงหรือตั้งสติไว้อย่างติดต่อต่อเนื่องเพื่อจะทําให้พลังของสมาธิหรือจิตมีพลังมากขึ้นนะ่ยเป้าหมายก็คือต้องการที่จะพ้น ก, ก็คือเป้าหมายในการที่จะไปเดินสู่วิปัสสนาญาณที่จะเป็นปัจจัยต่การพ้นทุกข์แม้การเจริญอาณาปนานสติก็จัดว่าเป็นเนกขมมะด้วยเพราะอยู่ในกลุ่มของสมาธิศิกขาเข้าใจนะและอย่างหนึ่งก็คือเป็นชื่อของกุศลทั้งหลายที่น้อมออกจากกามควรที่มีเนกขมัตชายะพระบุตริศต์ทั้งหลายท่านจะมีอัธยาศัยข้อนี้มากเขาเรียกเนกขมัตชาสยะอัธยาศัยในการที่จะเบื่อหน่ายในกามทั้งหลาย เบื่อหน่ายมากในการที่จะใช้ชีวิตในการไปเกลือกกลัวในการมาคุณทั้งหลายเกลือกกลัวกะสีเสียงกินรถผลถ้าผ้นี่อ้เบือพวกเราเบื่อไหมเบื่อหน่ายไหมในกรณีที่เราเอามาไปบินทบาทก็ไปเจอคนเขาตื่นกันแต่ดึกแต่ดื่นเนี่ยเนี่ ย, เ, ยเดินเดิ น, เ, ดนเขานั่งบนรถกันแต่ละนั่งนี่รถนี่เต็มนะแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยนะ เด็กๆก็นั่งกันแต่ดึกๆนืนนึกถึงาไปทําอะไรกันเนี่ยนี่ก็จะไปเรียนกันบ้างไปทํางานกันบ้างบางคนก็รออยู่ถ้ารถเต็มไปหมดบางคนขึ้นรถไปเสร็จแล้วก็จะมีอะไรเสียบกับหูไม่รู้เขาเนีไม่รู้ว่าธรรมะหรือเปล่าที่กขาฟังไปเนี่ยใช่ธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมที่เขาเสียบไปที่หูเต็มทุกคนก็จะมีอะไรเสียบที่หูเป็นไอ้เขาเรียกอะไรถ้มามีเสียงด้วยไหม นี่นแหละเขาก็จะจะมีอะไรฟังเข้าไปตอนนั้นเขากําลังบําเพ็ญเนคขม่าอยู่หรือเปล่าเขาฟังเรื่องอะไรอ่ะฟังเรื่องกรรมคุณนะเนี่ยเป็นเพลงใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงเลยเป็นเสียงกล่อมทําให้เขาเพลิดเพลินเพราะบรรยากาศข้างนอกเขาไม่น่าเพลิดเพลินเขาก็พยายามที่จะจินตนาการหรือมโนภาพให้เกิดความเพลิดเพลินมนุษย์เราถ้าอยู่กับความเป็นจริงเลยจริงเขาทนไม่ไม่ได้ กิเลสมันทนไม่ได้นะจะต้องอาศัยหลอกต้องเอาอะไรหล อ, อกล่อตลอดเวลามีเครื่องหลอกล่ออยู่ตลอดเวลาที่จะให้กิเลสนั้นได้มีความหวังไปเรื่อยๆหวังไปเรื่อยๆเหมือนคนทํางานเนี่ยก็เห็นคนบางคนทํางานแล้วหยุดไม่ได้ไหมเป็นโรคทํางานหยุดไม่ได้ไหมเพราะกษียนปุ๊บหยุดไม่ได้เลยเป็นโรคเหงาเคยเป็นไหมต้องทํางานต่อแล้วมันก็ต้องปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นประโยชน์นะงานที่ฉันทำเนี่ยต้องปลอบใจตัวเองเอย่างนี้นะ เคยเห็นไหมกลัวไหมพอทำไปทำมามันติดนะอย่าลืมนะอย่างเหมือนบางคนเป็นแม่บ้านอนติดไหมติดใจความเป็นแม่บ้านหรือไม่ติดใจเอาใครติดใจยกมือขึ้นนี้ใครไม่ติดติดใจไหมความเป็นแม่บ้านติดใจไหมเอา้าถ้ากลับไปปุบ๊บเขาบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอเลิกเป็นแม่บ้านยอมไหม เขาไม่ให้เราเป็นแม่บ้านอีกต่อไปแล้วเขาจะไปหาแม่บ้านใหม่ยอมเลยกลัวไม่จริ ง, งนี่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะงานเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าติดนะติดใจในความเป็นแม่บ้านสามีก็ติดใจในความเป็นพ่อบ้านถ้าภรรยาบอกว่าเอา อ, อยากไปปฏิบัติดีนะงั้นก็ไม่ต้องมาบ้านนี้อีกไปเลยไปปฏิบัติเลย เราจะดีใจชยโยเลยไหม ย, ยอมผู้ชายดีใจไหมแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเงินทองก็ไม่ต้องมาเอาไปเลยอย่ากปฏิบัติดีนะนุ่นไปอยู่ยุวพูดนุน่น <c oughs> กลับมายอมตวีชยัยบอกว่าโดนไล่ออกจากบ้านแล้วยอมตวีชัยบอกงั้นหัวอกเดียวกันไม่อยู่ด้วยกันได้หัวอกเดียวกัน ไ, ได้ <c oughs> หดไหม แต่ไม่ใช่นีไม่ใช่โดนไล่ออกมานี่นี้มีปั๊บปฏิบัติเห็นไหมว่าจริงๆแล้วติดหรือไม่ติดมนุษย์เราติดกามติดกรรมะคุณติดกามะคุณอะมานี่ถ้าไปอยู่นะที่ไหนเห็นไหมเออเราก็มานั่งคิดพิจารณาดูโอ้มนุษย์จะทําอะไรก็ติดในเรื่องนั้นไปเรียนหนังสือก็ติดนะติดมันก็ไปติด บางคนอายุขนาดไหนโอ้ทําปริญญาใหญ่เลยเรียนอยู่นั่นแหละเขาเหงาเขาไม่ได้เรียนไม่ได้เหงาเหงาเนี่ยแต่เนี่ยเราจะทํำยังไง น, นท่านกลุ่มเนกข ม, ม้เนี่ยจะไม่ติดข้องในเรื่องการประการต่อมาคือปัญญาบา ร, รมีอ่ะปัญญาบา ร, รมีมีอยู่ในทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกหรือเบื้องต่ําหรือเบื้องบนอยู่ในไหนอยู่ในตอนฉะนั้นการที่จะบําเพญ็ญปัญญาบา ร, รมีต้องบําเพ็ญยังไงรู้ไหม เขาให้ถือเหมือนพระภิกษุถือการบิณฑบาตเป็นวัดถ้ามีใครอย่างเนี้ยใครที่สามารถรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แนวทางในการที่จะเพพื้ปฏิบัติขัดเกล็นำตนเองให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดแล้วใ ห, เ ห, วห้เข้าไปหาทุกวันทาได้มเข้าไปหาทุกวันเข้าไปศึกษาเข้าไปฟังเข้าไปไต่าถามสอบถามข้อมูลถามเรื่องทานถามเรื่องศีลถามเรื่อง สมาธิถามเรื่องปัญญาถามเรื่องความเพียรถามเรื่องคันติถามเรื่องสัจจะเข้าไปถามว่ายังไงเรียกว่าความเพียรยังไงเรียกว่าเกียรคานยังไงเรียกว่าสติยังไงเรียกว่าการหลงลืมยังไงเรียกว่าศรัทธาเข้าไปสอบถามเมื่อถามแล้วรู้เข้าใจแล้วจะได้เอามาฝึกเอามาเจริญเอามาทำให้มีให้เกิดขึ้นลักษณะอย่างเนี้ให้ถือเหมือนพระถือการบินทบาทเป็นวัดอย่าเลือกว่าท่านผู้นั้นเนี่ยโอ้โหเป็นสัมมณเณรเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเขารู้ถ้าเขาจะเข้าใจนะ ให้เข้าไปสอบถามเราทําอย่างนั้นไหมกิจในการเจริญบัญญาบารมีทำแบบนี้ไหมฟังตลอดไหมฟังการจะเจริญบัญญาบารมีเขาไม่ให้เจริญแบบสเปรสป่าก็ เ, าเจริญจริงๆเลยนะฝึกที่จะเจริญแล้วต้องปัญญาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงถ้าหากยังไม่เข้าถึงเนี่ยไม่เรียกว่าปัญญานะ ปัญญาต้องเป็นธรรมชาติที่ต้องสามารถเข้าถึงและได้สัมผัสเจาะทะลุทะลวงได้ยังเรารู้ไหมสภาพที่ศีลมันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้เมตตาเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ะถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็จะเข้าใจลักษณะของเมตตากิจหน้าที่ของเมตตาผลอาการปรากฏของเมตตาแล้วเมตตาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็จะเข้าใจชัด แล้วก็สามารถจเจริญทำให้มันเกิดได้จริงๆด้วยเอาถามหน่อยเมตตามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไง เ, เคยเมตตามีหน้าตาไหมมีไหมมีลักษณะไหมแล้วถ้าปัญญาเกิดต้องสามารถเห็นลักษณะของเมตตาได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เอาใครเคยเมตตาเกิดบ้างอายกมือขึ้น เมตตามันเกิดในใจเราจริงๆเนะเอาที่ไม่ยกทํำยังไงดีไม่เคยเกิดเลยใช่ไหมที่พ่อสอนให้เจริญเมตากันนะเกิดไหมเกิดหรือไม่เกิดใครสังเกตไหมเมตตามันมีลักษณะยังไงเวลาเกิดขึ้นมาแล้วฮะเอาใครบอกเมตตาเกิดขึ้นแล้วเบายกมือขึ้นเอ๊ะเมตตามันเบาๆ้วยเลยอะไรเบาแล้วตอนนี้มันหนักเลย ใจนี่เป็นก้อนหัวใจหรือเปล่าหรืออะไรหรืออะไรความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกเบาเบามีใช่มนี่เบาเบานเป็นอย่างนั้นแลวมันมีสอนไว้ตรงไหนเมตตามีลักษณะเบาเบนี่มีไหมเมตตามีลักษณะยังไงตอนนั้นมันเกิดความยังไงเกิดมีความรักเกิดขึ้นไหมปรารถนาดีปรารถนาดี เอื้อทอนได้ไหมความเอื้อทอนแล้วเมตตาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเขาทางานของเขาอย่างไงเขาทํางานอย่างไงเวลาเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บจำไหมเขามีลักษณะรักปรารถนาดีเอื้อทอนนี่ินลักษณะเขาใจำไหมแล้วเวลาเขาทํางานน่ะเขาทําหน้าที่ของเขาเขาทำอย่างไงกิจของเขาในขณะที่เขาทํางานก็เป็นยังไงมันหยิบยื่นอะไร หยิบยื่นประโยชน์หยิบยื่นความปรารถนาดีไปให้ใครให้กสัตว์อื่นบุคคลอื่นใช่ั้มมันออกไปจริงจริงไหมเอลองลองดูที่ลองให้เมตตาออกมาที่พระทีทเดียวต้องทำทีออกมาห้ยังออกมาแบบไหนลองลองออกมาดังๆหน่อยซิมันเป็นยังไงออกมายังไงอ ทำกิจมันออกมาไหมแ ล, แล้วตอนแล้วเวลาเราจะวัดยังไงว่าเมตตามันมีผลออกมาแล้วดูตรงไหนเขาเกิดมาแล้วเขาไปทำลายอะไรทาลายอะไรแหมท่องได้เลยนี่ท่องได้เนี่ยแต่จริงๆตอนนี้ไอ้ตัวความหงุดหงิดมันลดลงไหมมีมีหงุดหงิดไหมห ม, มทำลายโทสะแล้ว คิดยังไงเมตตาจึงมาที่พระได้คิดยังไงคิดยังไงคิดเห็นจุดเด่นของพระหรือจุดด้อยของพระคิดเห็นจุดเด่นคิดเห็นจุดเด่นคคิดเห็นยังไงคิดเห็นโอ้เนี่ยท่านประพฤติปฏิบัติอ๋อท่านเป็นท่านมา ท่านมาแนะนํำบอกกล่าวใช่ไหมมากระทําสิ่งที่ดีงามท่านมาฝึกในการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพฤติกรรมของท่านเป็นไปกับศีลเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นไปกับสมาธิเป็นอย่างนี้ทัศน์มุมมองที่ท่านาเอาคําสอนมาสอนเป็นอย่างนี้พอมองเห็นจุดดีจุดเด่นอย่างนี้มากขึ้นก็เกิดความปรารถนาดีความเอื้อทอนขอให้ท่านจงมีกระแสชีวิตที่ยืนยาวใช่ไหมให้ท่านมีความสุขเยอะ ให้ท่านเจริญในศีลได้ทุกประเด็นศีลเล็กศีล น, น้อยทั้งหลายท่านกลับมาเจริญเอามาฝึกให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้สมาธิทุกหมวดเหล่าขอให้ท่านฝึกให้ประสบความสําเร็จปัญญาทุกระดับขอให้ท่านทําให้สมสมประสงค์ขอให้ท่านฝึกศีลสมาธิปัญญาจนสามารถแทงตลอดสัจจะสีในปัจจุบันนพบโดยเร็วโดยสะดวกเธอดในคิดอย่างเงี้ยเป็นเมตตาไหมเออเนี่ยก็เรียกปรารถนาดีเงี้ยคิดลักษณะเงี้ยก็เรียกปรารถนาดีเ อ, อื้อทอน เราลองนั่งคิดดูทีได้ไหมเนี่ยลักษณะนี้ก็กจะเริญอะไรถ้ารู้ลักษณะของเขารูา้กิจของเขารู้อาการปรากฏรู้เหตุเกลดของสภาวะธรรมเหล่านี้ปัญญามันทํางานโยมปัญญาเข้าไปรู้พอรู้แล้วเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาก็เจริญก็ฝึกขึ้นมาได้จริงๆด้วยเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้เกิดข้างนอกมันเกิดขึ้นในกระแสชีวิตเราจริงๆนะยากไหม การฝึกปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นยากหรือไม่ยากยากไหมเวลากลับไปมันจะเกิดไหมเนี่ยเวลาไปอยู่คนเดียวมันจะไปเกิดบ้างไหมไปนั่งนั่งมืนมืนเยู่เอ๊ะทำยังไงนะมันจะทําให้มันเกิดใช่ไหมเอาวิทยะบารมีวิทยะบารมีอยู่ที่ไหนวิทยาบารมีเป็นนมามธรรมก่อนไหมขปารบ ใครเป็นคนมีความเพียรมากใครเป็นคนที่มีความเพียรต่ำดูตรงไหนคนที่มีความเพียรมากหรือน้อยเพียรละบาปเก่าเราเป็น ม, มีเพียรไหมพวกนี้เราเพียรไหมเราเคยทำบาปกันมาแล้วหรือยังเอาใครเคยทำปฏิบาตมาแล้ว ใครเคยทำอธินาทานมาแล้วใครเคยทำการเมสุมิชฌาจารมาแล้วไม่มีเลยฮะชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ชาติที่แล้ว <c oughs> <c oughs> อาชาตินี้ทํามาแล้วนี่ยเอใครทำการเมสุมิชฌาจารมีไหมเอามูสาวาตปิสุนาวาจา ร, รู้จักคำว่าปีสุนาวาจาไหมปีสุนาวาจาก็คื อ, อาวาจาส่อเสียดส่อเสียดก็คือพูดให้คนแตกแยกกันการพูดให้คนแตกแยกกันบางทีพูดพูดดีๆนี่แหละแต่เขาแตกกันเนะ่เข้าไปพูดบอกเออเนี่ยรู้สึกไอคนนั้นไม่น่าไว้ใจนะที่เองไปคบอยู่บ่อยๆเนี่ย พูดไปพูดมาจนเป็นเหตุทำให้เขาแตกแยกกันมาลักเราเนี oh, yeah. ่ยพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อไอ้เพ <c oughs> <P> ้อเจ้อโอ้โหเยอะเลยทัพวกเราเป็นได้ท <porque> ุกข mm ้อเลยเนาะพูดหยาบกับพูดเท็ตนี่อันเดียวกันไหมพูดหยาบนี่เท็จด้วยไหมมีเท็จอยู่ด้วยไหมมีใช่ไหมพูดส่อเสียดมีเท็จอยู่ด้วยไหม อา้าวเท็จเป็นหลักเลยนะีพูดเพลเจอมีเท็จอยู่ด้วยไหม mm hmm. พูดหยาบที่ไม่เท็จก็มีที่เท็จก็มีแต่ส่วนใหญ่เท็จไหมบางทีเราไปเขาเป็นมนุษย์แต่ไปว่าเขาเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> ใช่ไหมไปว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเ อ, อียพูดพูดเท็จเลยใช่ไหมโอ้เท็จ เอ้ยคนที่โดนว่าก็โกรธเขาอีกทั้งที่เขาพูดไม่ถูกอ่ะเออกลับไปโกรธแปลกไหมถ้ามีคนมาด่าเราไอ้ตุ๊กแกเนี่ยโกรธไหมโกรธไม่โกรธไอ้จิ้งจกเนี่ยโกรธไหมเออไม่โกรธเห็นไหมไอ้มดแดงโกรธไหมไล่ไปเรื่อยไอ้จระเข้โกรธไหมไม่โกรธ ไอเสือโกรธมนี่ไม่โกรธอไอลิงอ่ะเริ่มจะโกรธแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วถ้าไอมา้าโกรธหมควายอา่ะตั้ควายทั้งๆที่มันอันเดียวกันเนี่ยนะเนี่ ย, ยพอไล่ล่ไปมันจะค่อยๆเออแปลกมนุษย์เนี่ยแท้จริงมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราไปฝังใจไงไปฝังใจไ้ถ้าโกรธไอถ้า ด, าด่าไอมดงามดแดงมดอะไรเงี้ยไม่โกรธนะ ตุ๊กแกอะไรก็ไม่โกรธแต่พอไปถึงควายเริ่มโขนแล้เรื่อแปลเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปยึดใช่ไหมเมือ่ออถ้าหากไอฝรั่งก็ดีคนไทยก็ดีเวลาดา่าด่ากันมันถึงโกรธไม่เหมือนกันใช่ไหมคำที่เรามันขำนะฝออรั่งเขาขำเราในเวลาที่คำที่เราโกรธกันในที่ด่ากันโกรธกัน แต่บางคาแบบนี้ไปด่าพระลังแล้วพระหลังหัวเลาะเลยจีมันประหลาดมันนี่มีห น, หน้าโกรธเลยเลยว่างั้นเห็นไหมว่าไอ้กรณไีไอ้วิปริตมนสิการของมนุษย์เนี่ยเวลาคิดไปแล้วเราก็ไปโกรธคนที่เขาวางใจได้แล้วก็จึงไม่โกรธไม่โกรธกับเรื่องเหล่านี้ เ, เหลือเวลานิดหน่อยนะได้แค่ปัญญาบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีนิดหน่อยจค่อยว่ากันใหม่อาจจะต่อไป อนั่งเจริญกรรมฐานกันแผ่เมตตาก่อนนะี่นั่งเจริญเมตตาให้ฝึกในการที่จะทุกครั้งก่อนที่จะเจริญกรรมฐานอานาปนสติให้แผ่เมตตานะให้มีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอน เมตตาเป็นคุณธรรมที่เจริญที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในพรหมวิหารเป็นธรรมะที่ประจําใจธรรมะอันประจําใจอันประเสริฐคุณธรรมอันประเสริฐที่ควรมีไว้ที่ควรมีไว้ก็ควรกํากับมีไว้ควรกํากับไว้ที่ใจ เอาไว้ตั้งไว้ที่ใจเอาไว้กำกับพฤติกรรมฉะนั้นในชั้นของพรหมวิหารเนี่ยคุณธรรมมันประเสริฐที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเนี่ยก็หมายความว่าให้จิตของเราเนี่ยให้เ อ, อิบอิ่มให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของเมตตาให้มีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออารทรเกิดขึ้น นึกถึงตนเองนึกถึงอัตภาพของตนเองนะอัตภาวังอัตภาพของตนเองเนี่ยก็มีความรักปรารถนาดีกับตนเองจริงๆมีความรักกับตนเองที่บอกว่าโอ้โหชีวิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านเอาชีวิตไปทำปาธิบาสนะไปฆ่า บางท่านก็เอาชีวิตเนี่ยไปทำอาตินนาทานให้ไปร่วงละเมิดบางท่านก็ไปทำกาเมสุมิจฉาจาร์บางท่านก็เอาชีวิตต น, นเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการกล่าวเท็จกล่าวคำหยาบกล่าวส่อเสียดกล่าวเพ้อเจอ้อในจิตใจก็เต็มไปด้วยความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงแล้วก็เห็นผิด ฉะนั้นเราบอกว่าโอ้โหเนี่ยเราใช้ชีวิตผิดพลาดมาเยอะเลยเพราะความไม่รู้จักคำว่ารักตนรักตนมันยังไงก็ตั้งอัธยาสัยใหม่ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะรักตนเองจริงๆแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป กายพฤติกรรมทางกายวาจาของเราเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเป็นต้เนเราจะกายของเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วไม่ได้รักทรัพย์แล้วไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมแล้วไม่ได้กล่าวเท็จสอเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อและในใจก็จะไม่ให้ความกําหนัดจินดีขัดเครื่อง และความลุ่มหลงมันเกิดหรือเห็นผิดเราจะทากายให้สะอาดวาจาให้สะอาดใจให้สะอาดด้วยกุศลที่กระทำมาทั้งหมดด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระราตรีขอให้กระแสชีวิตของข้าพเจ้าจงมีความสุขเยอะๆขอให้ข้าพเจ้าได้ความสุขกายสุขใจจากการที่ไม่ได้ทําบาปอกุิละกรรมอันชั่วร้าย อย่าได้มีเวรก่อใครๆอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเราจะรักษาตนเองให้อยู่กับกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเพื่อจะรอดปลอดภัยในสังสารวัฏเป็นต้นให้ได้เธอ น, นึกถึงแล้วให้เกิดความภูมิใจเลยนะโยมนะให้เกิดปลามโมดจริงๆว่าเกิดจิตเบิกบานจริงๆว่าเรา เราไม่ได้เอาพฤติกรรมทางกายวาจาใจนะไปทำชั่วแล้วตอนนี้ตรวจสอบดูเลยนะตรวจสอบดูโอ้โหเราพ้นเวรภัยแล้วให้มีความรู้สึกชื่นช่ำใจเกิดปีติจริงๆเลยนะให้เกิดปีติโอ้โหภูมิใจเหลือเกินที่เราได้ทำขณะนี้ของเราให้สะอาดให้หมดจด แล้วก็ตั้งสมาทานให้มั่นคงต่อไปจะไม่ไปฆ่าไปรักไปผุบปิดในการเป็นต้นกระแสชีวิตของเราจะทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดใจให้สะอาดในคิดอย่างนี้นะเนี่ยเมตตาเกิดขึ้นในตนแล้วแล้วก็น้อมความรู้สึกที่เป็นไปกับความเมตตาเอื้อทอนเนี่ยแผ่ให้กับบุคคลที่เราเคารพเกณฑแผ่ให้ระสงค์เป็นต้น ขอให้ประสงค์โดยกุศลของข้าพเจ้าที่กระทำมาขอให้ประสงค์จงเป็นผู้มีความสุขเถิดน้อมเมตตาปรารถนาดีให้กับประสงค์ขอให้ประสงค์อย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้ประสงค์อย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตพองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลย ขอให้ประสงค์จะได้มีความทุกกายทุกใจให้มีความปราโมดจริงๆนะจิตช่ำชื่นใจจริงนะแผ่เมตตาไปแผ่ความรากักความปรารถนาะดีความเอื้อทอนให้เขาประสบความสุขให้สังเกตดูจใจด้วยว่าเมตตาเกิดไหมเกิดความปรารถนาะดีเกิดความเอื้อทอนไหมแล้วก็แผ่เมตตาจิตน้อม ความรากักความปรารถนาดีให้ท hey, วนหน้าโดยเฉพาะไปที่ประสงค์เห็้นถ้าเราสามารถแผ่เมตตาไปได้จิตเบิกบานจิตผ่องใสจิตล่าเลิงจิตเอียบอ่องพองแผ่ตอนนี้สรัพคุณภาพจิตตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์ จิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีมนทินไม่มีของเสียจิตเป็นไปกับปัญญามีเมตตาเอืบอิ่มก็แผ่เมตตาไปให้กับคนที่เราเคารพพระปนมปนมมือขึ้นอุทิศส่วนกุศลสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนะบัดนี้